มาเดินนานเกินไปกลายเป็นทุกข์ก็มีการเปลี่ยนเปลี่ยนจากเดินไปยืนบ้างเปลี่ยนจากเดินไปนั่งบ้างหรือเปลี่ยนจากเดินไปนอนบ้างที น, นี้นั่งพอประมาณกายก็เป็นทุกข์อกีกก็ต้องเปลี่ยนอีกไอการเปลี่ยนยาบทเนี่ยตามความเป็นจริงเนี่ยเปลี่ยนตามอํานาจของกายที่เป็นทุกข์ไงให้เราเข้าใจตามหลักแห่งความจริง ก, ก่อน ถามว่าทํำไมจึงต้องเปลี่ยนเพราะายเป็นทุกข์ถ้าการไม่เป็นทุกข์ไม่เปลเป็นต้องเปลี่ยนก็อยู่ในท่านั้นเนี่ยการเดินโยงกลมและนั่งสมาธิเนี่ยอที่ท่านให้เราทําที่เราฝึกฝึกกันมาเบื้องต้นเนี่ยนะเป็นการฝึกอินทรีย์ให้สมดุลกันเท่านั้นเองครูบาอาจารย์ที่ท่านฝึกเราเบื้องต้นเนี่ยเพราะว่าของเราเนี่ยยังใหม่อยู่ มาใหม่อยู่เราจะไปใส่ใจให้ทั น, นก็ลาบากัอาจารย์ถ้าก็มีวิธีการฝึกฝึกให้สมาธิกับวิริยะเนี่ยสมารณ์กันพอสมาธิกับวิริยะสมารณ์กันแล้วเอาจิตที่ฝึกสมาธิกับวิริยะตรงเนี้ยสมารณ์กันแล้วเนี่ยไปกําหนดปัจจุบันธรรมก็จะกําหนดปัจจุบันธรรมของกายของเวทนาของจิตหรือของสภาพธรรมได้สะดวกเมื่อเรากําหนดปัจจุบันธรรมได้สะดวกแล้วก็ไม่จําเป็นต้องไปฝึกตามระยะนั้นแล้ว ต้องไปนั่งสมาธิเท่าน e ั้นเดินเท่าน e ั้นไม่จําเป็นละเพราะจิตของเราสามารถอยู่กับปัจจุบันธรรมได้สะดวกแล้วแต่บุคคลที่ยังกําหนดปัจจุบันธรรมไม่ได้ควรควรทําอย่างนั้นควรไปฝึกตามระยะที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนนั่นแหละแต่ปัจจุบันนี้เราทําอะไรก็รู้หมดยกมือขึ้นเวลาใดก็รู้เหยียดเวลาใดก็รู้คู้เวลาใดก็รู้เนี่ยยืนเวลาใดก็รู้นั่งเวลาใดก็รู้ก็ไม่จําเป็นแล้วไม่ไม่จําเป็นต้องต้องไปกําหนดเนี่ย ไม่จำเป็นต้องไปต้องไปต้องไปกำหนดเวลาแบบนั้นแหละเพราะเราสามารถกำหนดปัจจุบันธรรมได้สะดวกแล้วนะพอเข้าใจไหมตรงนี้แต่ถ้ายังอะไรอ่ะถ้ายังกำหนดลำบากอยู่ก็ควรเดินนั่งเดินนั่งเป็นระยะระยะที่ท่านสอนนั่นแหละอันนี้เมื่อเมื่อเร า, เ, าเดินจงกรมแล้วต้องเข้าไปทำขิตในห้องน้ำออกมาต้องเดินจงกรมอีกใหม่เนี่ยไม่ต้องเดินน่ะนั่งเลยก็ได้ถ้าจะนั่งนะ หรือถ้าอยากจะเดินต่อเดินก็ได้แล้วแต่จิตต้องการอะไรอะ่ะต้องการเดินหรือต้องการนั่งนะแล้วแต่นะเข้าใจไ้ยแบบนี้ท่านเจ้าของปัญหานะคงคงเข้าใจนะแล้วก็เคยได้ยินอาจารย์บางท่านสอนว่าเวลาเจริญสติปัฏฐานให้ใช้สมาธิในระดับขานิกะสมาธิเท่านั้นถ้าสมาธิอยู่ในระดับอุปจารสมาธิหรืออัปปนาสมาธิ ก็ให้ถอยถอยลงมาใช้เพียงคณิกะสมาธิเท่านั้นคำสอนนี้ถูกต้องหรือไม่และขอคำอธิบายด้วยว่าเหตุใดจึงไม่ให้เจริญสติปัฏฐานโดยการใช้อุปจารสมาธิหรือหรืออัปปนาสมาธิ <c oughs> อันนี้การเจริญสติสติปัฏฐานเนี่ยนะจริงๆแล้วถ้าถ้าจะพูดกันตามความเป็นจริงเนี่ย ใช้สมาธิได้ทุกระดับสบปกดกันตามความเป็นจริงของสติปัฏฐานเนี่ยแต่ถ้าเจรคคิญวิปัสนากรรมฐานเนี่ยใช้แค่ขณิกสมาธินี่อันนี้อันนี้ถามถามคําถามเนี่ยถามสติฐานสมาก็จะตอบในย่าของสติปัฏฐานถ้าถามในย่าของวิปัสนาก็จะตอบในย่าของวิปัสนาถ้าเจริญสติปัฏฐานเนี่ยใช้สมาธิได้ทุกระดับ เพราะว่าสติปัฏฐานมีทั้งสมถะและวิปัสนาปนกันอยู่ถ้าเราเจริญสติปัฏฐานในแนวของสมถะสมาธิก็จะมาทุกระดับขณะสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิจุดสูงสุดก็คืออัปปนาสมาธิขณะอัปปนาสมาธิเกิดขึ้นก็ชื่อว่าสติปัฏฐานนะชื่อว่าการเจริญสติปัฏฐานขณะฌานจิตเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นจากการเจริญสติปัฏฐานพอจะเข้าใจนะตรงนี้ไะ แต่ถ้าพูดกันถึงเรื่องวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยให้ใช้เพียงขั้นขานิกาสมาธิเท่านั้นเองทำไมอ่ะเพราะว่าสมาธิที่เลยขั้นขานิกาไปแล้วเนี่ยจะไปเกาะติดอยู่กับอารมณ์จะไปเกาะติดอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งอยู่พอไปเกาะติดอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งแล้วเนี่ยจิตจะไม่ยอมไปรับรู้อารมณ์อื่นๆ รูปมาทางตาก็ไม่ยอมรับรู้เสียงมาทางหูไม่ยอมรับรู้กลิ่นมาทางจมูกก็ไม่ยอมรับรู้รสปรากฏทางลิ้นก็ไม่ยอมรับรู้สมาธิจะทําให้จิตเกาะติดอยู่กับอารมณ์เดียวท่านจึงไม่ให้มีสมาธิมากเกินไปจะต้องถอยถอยออกมาะเพราอเราสังเกตไหมว่าเรานั่งสมาธิสักระยะหนึ่งเนี่ยพอจิตสงบเนี่ยจิตก็จะไปอยู่กับอารมณ์นั้นอารมณ์เดียว จิตไปอยู่กับอารมณ์นั้นอารมณ์เดียวเนี่ยการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยท่านเรียกว่าโกสัจฉะแล้วตอนนี้เรียกว่าโกสัจฉะท่านเรียกว่าเกียรติคล้านวิริยะไม่เกิดขึ้นทําหน้าที่เพียร ล, ลึกถึงอารมณ์ที่เป็นปัจจุบันธรรมสมาธิเนี่ยจุดมุ่งหมายของสมาธิก็คือให้จิตแนบแน่นอยู่กับอารมณ์เดียวแต่จุดมุ่งหมายของวิปัสสนาเนี่ย ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายให้จิตแนบแน่นอยู่ในอารมณ์แต่ต้องการให้จิตเนี่ยรับไวและปล่อยไวไม่ว่าอารมณ์ใดมาต้องไปรับรู้รับรู้รับรู้มาทางตาก็รับรู้มาทางหูก็รับรู้มาทางจมูกก็รับรู้มาทางลิ้นก็รับรู้มาทางกายก็รับรู้อารมณ์ใดเนี่ยที่ปรากฏชัดเจนเนี่ยจอนมาสติต้องเข้าไประ ล, ลึกถึงทันทีถ้าจิตไปเกาะติดอยู่แล้วเนี่ยจะไปรับรู้ไม่ได้เหตุผลอยู่ตรงนี้นะ พอเข้าใจไนหะอันนี้คือเหตุผลเลยต่อไปการเจริญสติปัฏฐานภาวนาสมควรที่จะเดินหรือเคลื่อนไหวร่างกายให้เชื่ยงช้ามากๆหรือไม่ตามแนวพระไตรปิฎกเถรวาทผู้ปฏิบัติีิปัสนาในสมัยพุทธกาลเดินจงกรมเคลื่อนไหวร่างกายให้ช้ามากๆหรือเปล่า เพราะอาเจริยว่าสมัยนี้บานอาจารย์แนะให้ปฏิบัตินั้นผู้ที่ติดแนวช้ามากๆจะแก้ไขอย่างไรดีการการเจริญสติปัฏฐานภาวนาเนี่ยสมควรที่ที่จะเดินช้าหรือเดินเร็วอะจริงๆเนี่ยไอเดินช้าเดินเร็วเนี่ยไม่ใช่ประเด็นที่สําคัญนะประเด็นสําคัญก็คือในระหว่างเดินช้าและเดินเร็วเนี่ยเรากําหนด อย่างไหนเนี่ยสะดวกเอาแบบนี้ก็แล้วกันพอเราสามารถจะกำหนดได้สะดวกเนี่ยกำหนดได้ทันเนี่ยทันอากับกิริย า, าการของกายเราสามารถกำหนดชนิดไหนได้สะดวกไงถ้าเดินช้าแล้วเรากำหนดได้สะดวกก็ช้าไปแต่ถ้าเดินเร็วแล้วกำหนดได้สะดวกก็เดินเร็วไปจริงๆแล้วท่านไม่ได้ระบุให้เดินช้าเดินเร็วนั้นท่าพรายพิโไม่ได้ระบุไว้เราจะต้องเดินช้าช้าหรือเดินเร็วเร็วเนี่ยไม่ได้ระบุ แต่ท่านจะแสดงอิริยาบถที่เป็นไปโดยปกติเวลาแสดงเนี่ยในขณะเดินเนี่ยเราเดินอย่างไรก็แล้วแต่เข้าไปกําหนดรู้กายที่กําลังเดินอย่างนั้นยืนอย่างไรก็เข้าไปกําหนดรู้กายที่กําลังยืนอย่างนั้นนั่งอย่างไรก็ไปกําหนดรู้กายที่กําลังนั่งอย่างนั้นนอนอย่างไรก็เข้าไปกําหนดรู้กายที่กําลังนอนอยู่อย่างนั้นอันนี้ตมาก็ไดทดลองดูนะทดลองเดินช้าๆนี่ก็เคยทดลองดู ถ้าเราเดินช้าแต่เดินโดยปกปติไม่เกรงอาการเดินช้านี่ก็ดีเหมือนกันคือสามารถกําหนดอากัปกิริยาการได้ละเอียดแต่อย่าไปติดนะไปติดว่าต้องเดินช้าตลอดเนี่ยถ้าไปติดว่าจะต้องเดินช้าตลอดจึงเรียกว่าปฏิบัติก็จะทําให้เราคลาดเคลื่อนอีกเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าตมาเนี่ยเคยไปเห็นพระนะพระคุณเจ้าท่านไปเข้าวิปัสสนากรรมฐาน และท่านก็เดินระหว่างท่าพระจันทร์่แต่ท่าอาช้างเนี่ยใช้เวลาเดินช้ามากนะระหว่างเดินไปมาเนี่ยต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงรู้สึกว่าช้าเกินไปหน่อยนะในภาวะเช่นนั้นจริงๆแล้วถ้าเราพูดกันตามความเป็นจริงเนี่ยการปฏิบัติธรรมนั้นน่ะจะไม่ขัดกับสายตาของชาวโลกนะคือชาวโลกมองแล้วจะเห็นเป็นปกติ ถ้าเราปฏิบัติแล้วเนี่ยผิดปกติจากชาวโลกที่เขามองเนี่ยเราต้องพิจารณาตัวเองแหละเดินช้าแต่ต้องไม่ผิดปกติการเดินช้าเนี่ยต้องไม่ผิดปกติคือเดินไม่ต้องเกรงเดินไปเรื่อยๆลองเดินช้าๆดูสิเดินช้าๆแล้วไม่ผิดปกติคราวนี้ที่ต่อมาบอกว่าผิดปกติเราไปมีการเกรงไอ้เกรงเนี่ยจิตมันจะต้องไปอยู่ตรงนั้นไปกังวลกับเรื่องนั้น จะนั่นการจะใส่ใจปัจจุบันธรรมเลยๆไม่ค่อยสะดวกเป็นนี้ก็ให้เราถือว่าช้าก็ได้เร็วก็ได้นะแต่ให้เป็นไปโดยปกติแล้วก็ในพระตระีดกไม่ได้ระบุไว้ว่าช้าหรือเร็วดังนั้นให้เรากําหนดอย่างไรสะดวกก็ก็กำหนดอย่างนั้นนะทําอย่างใดสะดวกก็กําหนดอย่างนั้นช้าในสถานะที่สมควรช้านะหรือไวในสถานะที่สมควรไว คือไม่ใช่ว่าเราจะต้องยึดเป็นบรรทัฐานว่าต้องช้าตลอดหรือต้องไวตลอดถ้ายึดแบบนี้ก็ผิดในบางสถานะเนี่ยเราไม่ควรเร็วเราก็ช้าในบางสถานะไม่ควรช้าเราก็เป็นไปโดปกติเร็วในชีวิตประจําวันเราเดินอย่างไรก็ก็ควรพัฒนาจิตไปสู่ภาวะในชีวิตประจําวันก็ในชีวิตประจำวันมีทั้งช้าและเร็วใช่หรือเปล่าใช่ในชีวิตประจำวันเนี่ย ันตอนนี้ก็ก็ให้เข้าใจตามนี้นะให้ไม่ต้องไปค่อนขอดกันนะว้คนนั้นช้ายอย่างนั้นช้ายอย่างนี้นะอยน <nu ément> แล้วก็คนนั้นเร็วอย่างนั้นเร็วอย่างนี้เราไม่ต้องไปค่อนขอดกันคือให้ให้เราถือว่าถ้าเขากําหนดได้สะดวกก็กําหนดไปสามารถเจริญสติแล้วลึกถึงได้สะดวกก็ก็ระลึกไปแต่เราเป็นไปโดยปกติและะ้วใส่ใจแล้วคล่องตัวก็แล้วกันเอาคล่องตัวเนี่ยเป็นหลักเอาความคล่องตัวเอาการใส่ใจได้สะดวกสบายเนี่ยเป็นหลัก แต่ฝึกใหม่ๆก็ช้าๆหน่อยนะแต่พอเราชำนาญแล้วจิตของเราเนี่ยมีการพัฒนาได้คือพัฒนาอย่างไรอ่ะบุคคลที่ไม่เคยเจริญสติเลยเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยจะกําหนดไม่ได้แต่พอมามามาฝึกพอประมาณแล้วเนี่ยหูวิ่งก็กําหนดได้ได้แม้ตอนวิ่งเนี่ยวิ่งก็กําหนดได้นะอาการวิ่งเนี่ยกําหนดได้ ถ้าเราเจริญสติมาดีแล้วนั่นพอไปถึงระยะนี้แล้วเนี่ยเราไม่ไม่จําเป็นต้องช้าต้องไหวแล้วให้ช้าอุริยาบทปกติแต่ตอีจันมาฝึกใหม่ๆเราใจาจไม่ทันเราก็ช้าไปก่อนพอสักระยะหนึ่งเรากําหนดทันแล้วเราก็พยายามช้าอุริยาบทปกติเอให้ถือตามนี้ก็แล้วกันนะอัน ท, ที่ที่ฝึกมาแล้วก็เอาตามนี้ไปอันนี้ก็แต่ก่อนเวลาเจริญเจริญภาวนานะแบบเพ่งอารมณ์ อารมณ์เดียวนะเช่นกำหนดพองยุบอย่างเดียวนานๆก็จะเกิดนิมิตบางคนนอกจากเกิดนิมิตแล้วเกิดปีติด้วยเข้าใจว่าการเจริญวิปัสสนาที่ถูกต้องตามแนวพระไตรปิฎกเทรวาทแบบที่พระอาจารย์สอนอยู่นี้จะไม่ทำให้เกิดนิมิตหรือปีติใช่หรือไม่นิมิตนะนิมิตและปีติเนี่ย จริงๆแล้วเนี่ยน ะ, ะการการปฏิบัติเนี่ยนิมิตเนี่ยย่อมย่อมเกิดได้นะเพราะว่าการการปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่ว่าจะต้องดําเนินไปถูกต้องเสมอไปนขณะนิมิตเกิดเนี่ยตอนนั้นจิตตกไปสู่อํานาจของสมถะนะตอนนั้นเนี่ยที่นิมิตเกิดเนี่ยจิตตกไปสู่อํานาจของสมาธินิมิตจึงเกิด เขาเนี้เมื่อนิมิตเกิดทําอย่างไรไงตรงนี้นี่แหละครูบาอาจารย์ท่านก็จะแก้แก้อารมณ์ให้เราให้เราแก้ถ้าดําเนินไปถูกต้องเนี่ยก็จะไม่มีนิมิตแต่ว่าไอ้การปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่ว่าจะต้องถูกต้องเสมอไปมีทั้งถูกต้องและผิดพลาดฉะนั้นจึงจําเป็นที่จะต้องมีครูบาอาจารย์คอยคอยแก้ไขอารมณ์ใหเ้เวลาเวลาจเจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยก็จะเห็นเห็นปัจจุบันธรรมเนี่ย เห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่และแตกดับไปของรูปธรรมและนามธรรมอันนั้นเรียกว่าวิปัสสนากําลังดําเนินไปอยู่แต่ว่าขณะปฏิบัติไปปฏิบัติไปนั้นน่ะทาให้นิมิตเกิดขึ้นทําให้อกพากเกิดขึ้นทาให้ปีติเกิดขึ้นได้หลับตาหรือลืมตาก็เป็นเช่นเดียวกันหลับตาก็รู้ได้ลืมตาก็รู้ได้อย่างในชัดเจนกว่ากันนะ ในในระหว่างหลับตากับระหว่างลืมตาเนี่ยเราเรารู้ได้ชัดเจนอย่างไหนชัดเจนเราก็ดูนะว่าการเข้าไปรู้เนี่ยรู้ชัดเจนเนี่ยนี่กายนั่งอยู่อย่างเนี้ธรรมาก็ถามนะเขาว่ากําหนดกันไม่ค่อยถูกถามมารู้ไหมขณะ น, นี้นั่งอยู่เนี่ยรู้ไหมรู้กันไหมขณะนี้รู้ใช่ไหมว่านั่งอยู่แลอรู้ไหมขณะนี้เนี่ ย, ม, ออ ย, ยนนมืออยู่อย่างไรนะั่นเะนี่อรู้แล้วแต่เรารู้ว่ามืออยู่อย่างไรนั่นนี่ยคือรู้สึกแลเรียกว่ารู้สึกแะ อันนี้คือความรู้สึกรู้ไว้ว่านั่งท่าไหนเรารู้ตัวเองไ่มเรานั่งท่าไหนขณะนี้นั่นแหละเรียกว่ารู้อาการแล้วถ้าเรารู้ว่านั่งท่าไหนแล้วก็ลําตัวอยู่อย่างไรรู้ไหมศีรษะอยู่อย่างไรรู้ไหมไอการทําความรู้สึกตัวก็คือเข้าไปรู้อย่างเนี้ยไปรู้ลักษณะท่าทางของแต่ละอาการอาการของกายแต่ละท่าทาง แต่ละลักษณะของกายที่ปรากฏอยู่มีอยู่ในกายนี้แล้วก็เข้าไประ ล, ลึกรูก้รู้อาการนั่นรู้อาการนี้รู้กายในลักษณะนั้นลักษณะนี้รู้ระลึกวนเวียนอยู่อย่างเนี้ยก็เรียกว่ารู้สึกตัวรู้สึกตัวทั่วพร้อมเนะี่ยเป็นการกระทรําความรู้สึกตัวทั่วพร้อมจริงๆแล้วภาษาบอกเนี่ยบางทีเราบัญญัติกันไม่หวาดไหวนะถ้าเราจะบอกเป็นภาษาเนี่ยเราก็บอกกันเยอะแยะไปหมด ถ้าภาษาที่ท่านใช้เนี่ยอย่างการเหยียดออกการคู่เข้าเนี่ยท่านใช้คาว่าสัมบินชิเตปสาลิเตเพียงสองคำเท่านั้นเองหมายถึงการเหยียดออกการคู่เข้าใช้แค่สองคำแต่ถ้าเราจะใช้เป็นภาษาไทยเนี่ยบางทีเราต้องบัญยัตเยอะท่า น, นให้เรารู้ว่าไอ้การเหยีย ด, ดออกไปให้รู้อาการการคู่เข้ามารู้อาการเนี่ยทีเราก็ต้องบัรยัตนะบัรยัตอาการยกขึ้นแล้วก็ไป แล้วก็ย่อนลงแล้วก็วางเยอะแยะไปหมดก็มีพลิกมีอะไรเยอะแยะไปหมดานะที่เราบัญญัติกันเนี่ยงั้นถษ า, าบัญญัติบางทีเราเอามาใช้กันลุงลังมากเกินไปพอมันลุงลังมากเกินไปเนี่ยก็ทําให้เราเกิดการอึดอัดในเวลากําหนดแต่ในภาษาบาลีท่านใช้ไม่มากอะถ้ามันมีลักษณะออกไปก็เหยียดถ้ามันมีลักษณะเข้ามาก็คู่เท่านั้นเองหรือมีอาการข่มลงเงยขึ้น มีอาการเหลี้ยวมีอาการมองไปตรงๆแค่นั้นเองมองข้างซ้ายมองข้างขวาแล้วก็มองตรงใช้คำว่าเหลียวแลฮะเหลี้ยวแลใช้เท่นั้นเนี่ยอันนี้การการกําหนดเกี่ยวกับการถามปัญหามาก็คงคงเข้าใจนะนมาอยากจะปราลบถึงเรื่องอวามรู้สึกบ้างคราวนี้เพราะว่าเราฝึกการกําหนดกายมาพอประมาณแล้วนะหลายๆท่านใส่ใจในกายได้ดีแล้ว ท, ที่สอบถามดูเนี่ยแล้วก็หลายๆท่านก็บางท่านก็ยังมีติดอยู่อึดอัดอยู่นะคื อ, อยังติดของเก่าๆแล้วก็ครูบาอาจารย์สอนเน้นให้ใช้คำบริกรรมเอามาทางนี้ก็มาเจอบอกว่าให้ปลดคำบริกรรมก็เลยเกิดการเครือบแคลงสงสัยทำให้เกิดการอึดอัดเกิดการลังเลสงสัยอยู่แต่จริงๆตมาไม่ได้ให้ปลดเลยทีเดียว ฟังตั้งแต่วันต้นๆแล้วพิจารณาดูให้ดีมาไม่ได้บอกให้ปลดบอกว่าถ้ายังต้องใช้คำบริกรรมอยู่ก็ใช้ไปแต่ถ้าบริกรรมมันเริ่มหายไปก็ทิ้งไปหรือถ้ามันหายไปแล้วก็ไม่จำเป็นต้องเอากลับมาใหม่เพราะว่าบางท่านเนี่ยคำบริกรรมหายแล้วก็ไปพยายามดึงเอากลับมาใหม่พอดึงเอากลับมาใหม่คำบริกรรมเนี่ยมันช้าช้ากว่าอาการ อาการของเราเนี่ยมันไปไวถ้ไปบริกรรมอยู่ก็เลยจะต้องไปดึงอาการให้ช้าตามคําบริกรรมมันก็เลยอึอดอดัดมันเหมือนกับเรือใหญ่แล้วมาวิ่งในคลองแคบแคบมันเป็นลักษณะนั้นเรือใหญ่เนี่ยมันต้องวิ่งในมหาสมุทรมันจึงจะคล่องตัวถ้าเราเอาเรือใหญ่มาวิ่งในคลองแคบแคบมันก็เกิดอาการอึดอดัดดงนั้นบุคคลที่เลยคําบริกรรมแล้วไปดึงเอากลับมาใหม่เนี่ยก็จะเกิดอาการอึด อ, ดอดัด คำบริกรรมมันหายไปก็ทิ้งไปเลยหรือเราปลดมันออกได้บางก็ปลดทิ้งไปมันจะได้โล่งเดินเนี่ยนะถ้าเรามีคำบริกรรมอยู่เนี่ยบางครั้งเนี่ยมันจะต้องคือเราเดินเนี่ยเราจะเดินตามคำบริกรรมเวลายกเนี่ยบางทีเราก็ยกหงายหลังขึ้นไปอย่างนี้อยกก็ไปอย่างนี้แหละเราต้องการจะยกย่างก็จะไปอย่างนี้แหละแล้วก็เหยียบก็เคยเหยียบลงไปเนี่ยมันจะเป็นจังหวะเลย แต่ถ้าในชีวิตประจำวันมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นมายกปั๊บก็ก้าวไปเลยแล้วก็เหยียบลงเลยเพียงแต่เรารู้อาการที่ยกขึ้นและการก้าวไปแล้วเหยียบลงเท่านั้นก็พอแล้วรู้สึกในอาการนั้นๆถ้ารู้อย่างนี้มันก็ไม่อึดอัดมันก็จะเป็นไปตามธรรมชาติโดยปกติแต่ถ้าเราไปบอกเนี่ยเราก็จะต้องทําตามที่เราบอกเพราะเราบอกเนี่ยเราไม่ได้บอกยกย่างเหยียบไม่ได้บอกอย่างนี้เราบอกยกแล้วเราหยุดเนี่ยแล้วเราจึงบอกย่างถ้าไอ้กายบอกยกก็ต้องยกค้างเลยเขาเนี่ยกค้างแล้วบอกย่างจึงย่างบอกเหยียบจึงเหยียบี่ แล้วเราจรึงมีการกําหนดแล้วค้างอยู่ไม่เป็นไปตามธรรมชาติก็เลยเกิอดอาการอื่นอ่ท่านปลอดเทปลดกรมบริกรรมออกแล้วก็ทําการกําหนดรู้ยกขึ้นรู้ย่างไปรู้เหยียบลงรู้พอปลอดกรรมบริกรรมออกก็ตามรู้อย่างเดียวสามารถตามรู้ได้วิ่งยังกําหนดรูนะ้แหละวิ่งอะ่ะวิ่งยังสามารถกําหนดรู้ได้จําได้ไหมพระท่านวิ่งข้ามท้องล่องพระอะไรอะ่ะใครจําจได้อะ่ะวิ่งข้ามท้องล่องโยมหมดศรัทธาแล้ว อ่าวิ่งข้ามท้องล่องจะถวายจีวรสามผืนไม่เอาแล้วถวายท่านสองผืนก็พอเจออีกร่องหนึ่งท่านข้ามไปอีกอตายแล้วเอาเหลือผืนเดียวอันนี้ไปเจออีกหนึ่งร่องท่านไม่โดดละท่านค่อยๆเดินข้ามทําไมพระคุณเจ้าไม่ไม่ไม่โดดข้ามก็เหลือผืนเดียวและยมอะ <c oughs> ถ้าโดดอีกครั้งหนึ่งหมดเลยวะศรัทธาตกหมดเนีไงแทนท่านกําหนดทันเนี่ยกาหนดทันถึงวิ่ ง, งกับกาหนดทัน เราต้องฝึกเนี่ยเบื้องต้นก็ฝึกช้าไปก่อ น, น่ยฝึกช้าทาไมจึงไอาการช้าเนี่ยมันจะเก็บอาการได้ละเอียดแต่จิตมันต้องมีการพัฒนาไม่ใช่ว่าช้าขนาดนั้นจึงกำหนดได้เร็วกำหนดไม่ได้มันก็จะต้องเร็วฝา น, นั้นก็กำหนดได้เร็วที่สุดก็ต้องกำหนดได้จึงจะเรียกว่ามีการพัฒนาถ้าเราไม่มีการพัฒนาจิตก็จะไม่มีการเลื่อนขั้น จำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาจิตคราวนี้ในในเรื่องของเวทนาเนี่ยเป็นเป็นเรื่องของความรู้สึกอันนี้จะปลารบถึงถึงเรื่องเวทนาได้แก่ความรู้สึกความรู้สึกอย่างไรเรียกว่าเวทนาเนี่ยความรู้สึกสบายความรู้สึกไม่สบายแล้วก็ความรู้สึกเฉยเฉยเกิดขึ้นกับเราบ้างแล้วนะเวทนาเนี่ยเกิดกันตลอดนั่งนั่งอยเนี่ยรู้สึกยังไงบ้งขณะนี้นั่งอยนานๆน ป ว, ปวดั้ยปวดปวดแล้วเรารู้อะไรอะ่ะปวดอะ่ะเรารู้สึกว่ายังไงบ้างรู้สึกสบายหรือไม่สบายรู้สึกไม่สบายเนี่ยท่านเรียกว่าทุกขเวทนาดัางท่านก็จะต่อสู้นะกาหนดให้หายพยายามจะกําหนดปวดให้หายปวดนี่ทาแบบไหนก็เพ่งเอาจิตเข้าไปเพ่งแลวปวดตรงไหนก็จี้ลงไปตรงนั้นนะวาจี้ลงไปจี้ลงไปจี้แล้วทักหนึ่งมันหายได้เหมือนกันนะ หายได้ก็เลยโอเวทนาดับเป็นอย่างนี้เองท่านาที่ไหนได้ที่ลงไปที่ลงไปจิตเป็นสมาธิพอจิตเป็นสมาธิทุกเลยไม่รู้ความรู้สึกไม่สบายหายไปมีความรู้สึกสบายมาแทนที่ก็เลยบอกว่าเวทนาดับเป็นอย่างนี้เองแต่แท้ที่จริงหารู้เวทนาไม่กลายเป็นเวทนาถูกปกปิด เป็นโมหะครอบงำแล้วตอนนั้นเวทนาปกปิดแล้วปกปิดด้วยอำนาจของอะไรสมาธิถ้าจะให้เวทนาหายเนี่ยไม่ยากก็ลองพลิกดูสิพลิกแหลยพลิกเลยความรู้สึกใหม่ก็มาทันทีนะทันไหมความรู้สึกใหม่มาแล้วอะไรมาสบายมาความรู้สึกสบายมาความรู้สึกไม่สบายหมดหมดแล้วรู้ยังแต่หมดตอนไหนเรารู้ไหมตรงนี้นี่แหละต้องพยายามฝึกว่าความรู้สึกเก่าๆ เ, เนี่ยหมดเมื่อไหร่ และความรู้สึกใหม่ๆเกิดขึ้นเมื่อไรเนี่ยท่นานต้องการให้เรามีสติทันตรงเนี้ยการกําหนดเวทนาเนี่ยเพื่อหวังผลรู้จุดเริ่มต้นของความรู้สึกเก่าๆหมดไปความรู้สึกใหม่ๆมาแมทนที่ถ้าเราไปเพ่งอยู่จะรู้ความรู้สึกได้อย่างไรเพ่งจี้ที่กายเนี่ยก็รู้ไม่ได้จุดมุ่หมายที่แท้จริงเนี่ยท่านต้องการให้เราจับความรู้สึกนั้นๆให้ทันและ ความรู้สึกเหล่านั้นเนี่ยมีการเกิดการดับถึงเราไม่เปลี่ยนก็ดับเราไม่เปลี่ยนเนี่ยแต่เปลี่ยนแล้วมองเห็นชัดเจนต่อมาเลยให้เปลี่ยนนี่พอจิตที่เขาไปรู้เนี่ยจิตไม่ได้เกิดอยู่นะจิตน้อมเขาไปรู้น้อมไปรู้รู้เพื่อดับรู้เสร็จแล้วก็จบหน้าที่ดับแล้วแต่มันยังปวดอยู่เนี่ยจิตใหม่ก็น้อมไปรู้อีกรู้อีกอก็ดับอีกจิตใหม่ก็น้อมไปอีกรู้อีกดับอีกเนี่ยถ้าเรากําหนดความรู้สึกเนี่ยเราจะเห็นว่าเวทนาเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด เปลี่ยนแปลงความรู้สึกไม่สบายเนี่ยเขาเปลี่ยนทํากิจในการรับรู้ความไม่สบายของกายจบแล้วดับแล้วเขาก็เกิดใหม่อีกไปทํากิจรับรู้แล้วก็ดับอีกการกําหนดเวทนาเนี่ยจุดมุ่งหมายจุดพุทธประสงค์ที่แท้จริงเนี่ยต้องการกําหนดให้เห็นว่าเวทนาเป็นไตรลักษณ์คือการเจริญวิปัสสนาต้องมุ่งตรงไปยังไตรลักษณ์เนี่ยทําไม่เข้าไตรลักษณ์วิปัสสนาบัญญัติไม่เกิด คือต้องการให้เห็นเวทนาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปต้องการให้มองเห็นสภาพของเวทนาที่เราก็อาศัยการเปลี่ยนเปลี่ยนอิริยาบถพอทุกเกิดขึ้นก็เปลี่ยนตอนนี้ธรรมาก็เป็นเหมือนกันนะเนี่ยเปลี่ยนชนิดหนึ่งแต่รู้นะว่ามันมันหมดนัเนนี่ยหมดแล้วทุกหมดไปสุขมาแทนแล้วสุขมาแทนที่พอก่อนเปลี่ยนเนี่ยท่านบอกว่าวิธีการเปลี่ยนถ้าเราใส่ใจไม่ทันเนี่ย ตันหาจะเกิดนั้นท่านให้เราพยายามระวังว่าทำอย่างไรตันหากับทิฏฐิจะไม่อาศัยการที่จะไม่ให้ตันหาและทิฏฐิเข้าอาศัยเนี่ยท่านก็มีอุบายวิธีของท่านอีกก่อนเปลี่ยนเรารู้ก่อนว่าเป็นทุกข์คือเข้าไปเห็นทุกข์ก่อนแล้วจึงเปลี่ยนทุกข์จริงหรือเปล่าอ่ะถูกบีบบังคับทุกข์แต่ว่าบีบคั้นทุกข์แต่ว่าบีบบังคับเข้าไปรู้ว่ากายเนี่ยเป็นทุกข์อยู่แล้วก็อยู่แบบนี้ไม่ไหวแล้ว แล้วสัมปชัญญะบัพพามาด้วยนะมาอย่างไรอ่ะเปลี่ยนกับไม่เปลี่ยนอย่างไหนเป็นประโยชน์ถ้าไม่เปลี่ยนทุกเวทนาบีบบังคับอยู่จิตสัดสายแล้วคะเนี่ยสัดสายหมจิตที่สัดสายจิตที่ไม่สงบเนี่ยจะเอาไปรู้ปัจจุบันธรรก็รู้ไม่ได้จะ ก, กาหนดเวทนากาลังก็ไม่พออีกเพราะจิตสัดสายเพราะนั้นการเปลี่ยนอิริยาบถ ความรู้สึกไม่สบายเนี่ยจะหมดไปสมควรเปลี่ยนพอสมควรเปลี่ยนเป็นศาสต ร, รธธกะสัมปชัญญะแล้วก็รู้ว่าเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยไม่กระทบอะไรหยับ ก, กายพลิกไม่กระทบกระทั่งไม่เกิดอันตรายทั้งอันตรายเดรร่างกายและอันตรายจอบพรหมจรรย์ไม่เกิดก็เป็นสปายะติดตามอาการคริยาอาการของกายที่เปลี่ยนไปตั้งแต่เบื้องต้นไปจนจบอาการเป็น โคโจรสัมปชัญญะรู้ว่าที่เปลี่ยนไปนั้นคือรูปประกายกับจิตคิดจะเปลี่ยนเป็นอาจัมโมหสัมปชัญญะสัมปชัญญะทั้งสี่เกิดขึ้นครบบริบรบนแล้วก็ถ้าก่อนเปลี่ยนเรารู้ว่ากายเป็นทุกข์ทุกข์บีบบังคับจำเป็นต้องเปลี่ยนจำเป็นต้องเปลี่ยนฝืนอยู่ไม่ได้แล้วจิตทรดสายดันหาไม่อาศัยถีไม่อาศัย ถ้าไม่ได้กำหนดรู้กายที่เป็นทุกข์จิตจะไปรออยู่ไปรอความรู้สึกสบายที่จะเกิดขึ้นเมื่อเปลี่ยนแล้วจิตของเราเนี่ยมันจะไปรอเพราะรู้ว่าเปลี่ยนแล้วมันจะสบายมันจะไปจับเอาความสบายว่าเปลี่ยนแล้วจะสบายตัณหาก็อาศัยทิฏฐิก็อาศัยงนั้นท่านจึงให้กำหนดรู้ทุกขก่อนรับเปลี่ยนแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยกาหนดรู้สิ่งที่เป็นทุกข แล้วจึงค่อยเปลี่ยนอากัปกิริยาอาการถ้าเราเห็นทุกข์ให้ชัดเจนแล้วเราก็เปลี่ยนเปลี่ยนเพราะความจำเป็นแบบนี้จิตเรารู้ทุกข์นะพอจิตรู้ทุกข์จิตก็ไม่ไปปลาลบถึงความสบายที่จะเปลี่ยนไปทาไมกคำหนดรู้ตรงนี้จิตก็จะไปปลาลบรอยอยู่เราอยากเดินอยากยืนอยากนั่งอยากนอนไงทำไมจึงอยากเพราะเราคิดว่าเดินแล้วสบาย ยืนแล้วสบายนั่งแล้วสบายนอนแล้วสบายจึงจึงเกิดความรู้สึกอยากแต่ถ้าเราติดตามดูกายทุกๆอาการเนี่ยนั่งเราก็เห็นเป็นทุกจึงต้องเปลี่ยนเป็นยืนติดตามดูอาการยืนเราก็เห็นอาการยืนเป็นทุกอีกก็ต้องเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นอีกเปลี่ยนไปเดินดูอาการเดินก็เป็นทุกอีกเราก็เปลี่ยนอิยาบทไปอีก แค่มองให้เห็นทุกๆอิริยาบถเนี่ยเดินก็ทุกยืนก็ทุกนั่งก็ทุกนอนก็ทุกถ้าเรามองเห็นว่าเป็นทุกเป็นทุกเป็นทุกกอย่างนี้เนี่ยต่อไปเราจะไม่รู้สึกอยากแล้วเราจะรู้สึกว่าเปลี่ยนเปลี่ยนเพราะความจําเป็นเพราะเปลี่ยนไปยืนยืนก็ทุกเปลี่ยนไปเดินเดินก็ทุกเปลี่ยนไปนั่งนั่งก็ทุกเปลี่ยนไปนอนนอนก็ทุกกลายเป็นทุกอยู่ตลอดหาปลาสุกไม่ได้เลย ความรู in pues, yes. ้สึกนะความรู้สึกที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับกายเนี่ยมีสองชนิดรู้สึกว่าสบายแล้วก็รู้สึกไม่สบายสองอย่างเกี่ยวกับร่างกายของเราเนี่ยที่เดินที่ยืนที่นั่งที่นอนอยูเนี่ยมันจะมีความรู้สึกเกี่ยวกับร่างกายสองประการเท่านั้นเองเกิดความรู้สึกสบายบ้างเกิดความรู้สึกไม่สบายบ้างท่านเรียกว่า สุขเวทนาและทุกขเวทนาสุขเวทนาเนี่ยหมายถึงรู้สึกสบายกายทุกขเวทนาก็หมายถึงรู้สึกไม่สบายกายถามว่ากายเป็นเป็นสุขเวทนาเป็นทุกขเวทนาใช่ไหมตอเ น, นี้ใช่หรือไม่ใช่กายเนี่ยเป็นเป็นเป็นสุขเวทนากายเป็นทุกขเวทนาใช่หรือเปล่า ใช่หรือไม่ใช่ตรงนี้ตอบสอบได้ไหมกลายเป็นสุขกลายเป็นทุกข์ใช่ไหมใช่หรือไม่ใช่ไม่ใช่นะสุขได้แก่ความรู้สึกทุกข์ได้แก่ความรู้สึกสุขเวทนาไนสุขเวทนาได้แก่ความรู้สึกทุกขเวทนาได้แก่ความรู้สึกฉะนั้นดูเวทนาจึงต้องดูความรู้สึกจึงจะถูกตัวเวทนาแต่ใครเป็นผู้ทุกข์ไงกายเป็นผู้ทุกข์เวทนาเป็นผู้รู้ กายเนี่ยเขาทุกเพราะกายถูกบีบบังคับกายเป็นทุกข์เวทนาเป็นผู้รู้แล้วก็กายเนี่ยเป็นเป็นผู้สบายเวทนาเป็นผู้รู้กายเนี่ยเขาสบายกับไม่สบายคือเป็นทุกข์อยู่กายเป็นทุกข์ความรู้สึกว่ากายไม่สบายเป็นเวทนาต้อ ง, องแยกให้ออกจากกันนะตรงนี้นยถามว่าทุกข์ใครเป็นทุกข์ ท่านก็จริงๆแล้วท่านท่านชี่ไปยังขันห้านะขันห้าทั้งหมดเนี่ยเป็นทุกข์ทั้งรูปประคันเวทนาขันสัญญาขันสังขารและขันเนี่ยตกอยู่ในอำนาจของทุกข์มัทุกข์คือความคงทนอยู่ไม่ได้ทุกข์คือความรู้ทุกข์คือความไม่สบายไม่สบายของกายไม่สบายของของจิตสองประการส่วนความรู้สึกนะความรู้สึกเป็นเวทนาความรู้สึกสบายกาย เป็นสุขเวทนาความรู้สึกไม่สบายกายเป็นทุกขเวทนาตอนนี้เกี่ยวกับจิตความรู้สึกสบายใจเป็นเปนโสมนั ส, สเวทนาความรู้สึกไม่สบายใจเป็นโทมนั ส, สเวทนาแล้วก็มีความรู้สึกเฉยเฉยอีก้งเรามีครบไหมห้าประการเนะี่ยมีครบไหมทั้งห้าประการมีครบเลยนะ เวทนาห้าห้าอย่างมีครบไหมรู้สึกสบายใจบ้างไหมได้มาเจริญวิปัสสนากรรมฐานสบายใจไหมความรู้สึกสบายใจเนี่ยปลอดโปร่งใจเบาใจสบายใจเนี่ยาำรู้สึกอันนั้นเป็นโสมนัสกำหนดไม่ได้กำหนดไม่ทันรู้สึกอึดอัดใจให้บอกว่าปล่อยคำบริกรรมออกไปบ้างรู้สึกอึดอัดใจอย่างเงี้ยเป็นอะไรคราวนี้เป็นโทมนัส เกี่ยวกับทางใจก็จะมีความรู้สึกสบายใจความรู้สึกไม่สบายใจความรู้สึกเฉยเอันนี้ท่านเรียกว่าเวทนาแล้วเวลานับเอามานับรวมกันนะสบายกายสบายใจท่านเรียกว่าสุขไม่สบายกายไม่สบายใจท่านเรียกว่าทุกเฉยเฉยท่านเรียกว่าอุเบกขาอ่าทุกขมสุขภาษาบาลีภาษาไทยน่ทุกขมสุขไม่ทุกไม่สุขนั่นะ และความรู้สึกเหล่านี้เกิดขึ้นมาเวลาใดเนี่ยจริงๆพูดถึงความชัดเจนเนี่ยนะความชัดเจนของอารมณ์เนี่ยกายเนี่ยชัดเจนในอันดับที่หนึ่งความชัดเจนในอันดับที่สองเนี่ยได้แก่เวทนาสภาพอของเวทนาเนี่ยจะปรากฏแก่จิตได้ชัดเจนอันดับที่สองอันดับที่สามก็คือสภาพจิตอันดับที่สี่ได้แก่สภาพธรรมทันเรียงไปตามลําดับนากายเนี่ยเป็นของหยาบ แล้วก็เวทนาละเอียดฝ่าจิตละเอียดป่าธรรมละเอียดฝ่าการแสดงธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นโครงทรงแสดงธรรมะลุ่มลึกลงไปตามลําดับเกาแสดงเนี่ยท่านจะแสดงจากหยาบแล้วก็ละเอียดละเอียดละเอียดะเียดตามลำดับอารมณ์ของสติก็เหมือนกันท่านก็เอาอารมณ์หยาบหยาบมาแสดงก่อนแล้วต่อจากนั้นท่านก็แสดงอารมณ์ที่ละเอียดป่า อารมณ์หยาบๆก็คือแสดงเรื่องเกี่ยวกับร่างกายเนี่ยเป็นเป็นของหยาบการเข้าไปกำหนดรู้ได้ง่ายใส่ใจได้ง่ายอันนี้ต่อจากนั้นเนี่ยท่านก็แสดงอารมณ์ที่ละเอียดละเอียดกว่ากายเจตนาตแสดงเรื่องกายจบวงก็ทรงแสดงว่าอารมณ์ของสตินั้ น, น ย, ยังมีอยู่อีกไม่ใช่มีแต่เฉพาะร่างกายเท่านั้นไม่อะไร ก็คือความรู้สึกสบายความรู้สึกไม่สบายความรู้สึกเฉยเฉยนี้นี่แหละเอามาเป็นอารมณ์ของสติได้เวลาใดมีความรู้สึกอย่างนี้เกิดขึ้นมาให้ละลึกถึงให้ละลึกให้เข้าไปรู้นะเรารู้ไหมว่าเราสบายเนี่ยเราเรู้ไหมรู้หรือเปล่าเวลาสบายเนี่ยถามว่าเรารู้ไหมขนาดนี้ลำบากไหมนขนานี้นั่งนานๆเนี่ยรู้สึกไม่สบายไหมเรารู้ไหมว่าไม่สบายเนี่ยเทียงแต่รู้นะ ไม่สบายมีอยู่เนี่ยเพียงแต่รู้ว่าไม่สบายเท่านั้นเนี่ยใช้ได้แล้วเอาลองเปลี่ยนเลยเปลี่ยนปั๊บควรู้สึกสบายมาเนี่ยเราก็รู้ว่าความรู้สึกสบายมีการเข้าไปรู้รู้เท่านี้ไม่ได้รู้มากอ่ะรู้ว่าสบายมีอยู่รู้ว่าไม่สบายมีอยู่รู้เท่านั้นเน่ยเข้าไปรู้สึกเท่านั้นพอคราวนี้มีอีกอย่างหนึ่งคือความรู้สึกเฉยเฉยความรู้สึกเฉยเฉยจะรู้ได้อย่างไรอะความรู้สึกเฉยเฉเนี่ย เราเราจะรู้ได้อย่างไรความรู้สึกเฉยๆความรู้สึกเฉยๆเนี่ยเป็นของรู้ได้ยากใช่ไหมท่านอุปมาเหมือนกับในพรานในพรานเนี่ยยิงสัตว์ไล่ยิงสัตว์แล้วสัตว์มันก็วิ่งหนีนะวิ่งหนีในพรานเวลาวิ่งหนีเนี่ยมันก็ไปเจอก้อนหินใหญ่ก้อนหนึ่งไม่มีทางไปสัตว์ก็ตัดสินใจโดดขึ้นก้อนหินระหว่างโดดขึ้นก้อนหินเนี่ยไอ้รอยเท้าหน้าเนี่ยก็จิกจิกลึก แล้วก็ขึ้นก้อนหินพอขึ้นไปบนก้อนหินแล้วเนี่ยมันก็ไปโดดลงอีกฝั่งหนึ่งไอ้รอยเท้าก็จิกลึกอีกนั้นรอยเท้าตอนขึ้นจิกลึกรอยเท้าตอนลงจิกลึกแต่รอยเท้าบนหินน่ยไม่มีเลยแต่ในพ ล, ลานรู้ได้ว่าสัตว์นั้นเนี่ยขึ้นมาบนก้อนหินนี้รู้ได้อย่างไรอะ่ะเพราะเห็นรอยเท้าตอนขึ้นและตอนลงจึงรู้ว่าสัตว์วิ่งขึ้นมาบนก้อนหินอุเบกขาวเวทนาก็เหมือนกันจะรู้ได้ โดยอาศัยสุขเวทนาและทุกขเวทนาในขณะนั้นสุขเวทนาไม่มีทุกขเวทนาไม่มีถ้าไม่มีสุขเวทนาและทุกขเวทนาทั้งสองอย่างสแสดงว่าขณะนั้นเป็นอุเบกขาเวทนาหรือให้เราเข้าใจว่าขณะนั้นเนี่ยให้ไปสำรวจอะไรจะดูอุเบกขาเวทนาดูความรู้สึกสบายมีไหมความรู้สึกไม่สบายมีไหมไปตรวจดูแลสองอย่างเนี่ยไม่มีไม่มีอยู่ในใจ ความรู้สึกสบายก็ไม่มีความรู้สึกไม่สบายก็ไม่มีเมื่อความรู้สึกสองอย่างไม่มีอยู่ในใจขณะนั้นนั่นแหละตัดสินลงไปว่าเป็นอุเบกขาวเวทนากำหนดรู้ภาวะนั้นๆว่าเป็นอุเบกขาเบทนาสภาพนั้นที่มีอยู่ขณะนั้นเนี่ยให้เราเข้าใจวันนั้นคือความรู้สึกเฉยๆล้เป็นเป็นสภาพความรู้สึกเฉยๆ ได้เวทนามาสามอย่างนะพอเข้าใจตัวเวทนาสามอย่างนี้แล้วเนี่ยคราวนี้ท่านก็ให้เราทำความเข้าใจต่อว่าเวทนาไม่ได้มีอยู่เพียงเท่านี้คือไปรู้สมุสมุฐานของเวทนาด้วยคือไม่ใช่กำหนดรู้แต่เฉพาะตัวเวทนาเท่านั้นเข้าไปรู้สมุฐานของเวทนาว่าเวทนาเกิดจากอะไร ท่านก็แสดงว่าความรู้สึกสบายและความรู้สึกไม่สบายเนี่ยการเกิดขึ้นของเวทนาเหล่านี้เกิดขึ้นจากกามมัคุณอารมณ์ก็มีเกิดขึ้นจากการสลัดออกจากการมัคคุนอารมณ์ก็มีว่าสุขเวธนาเกิดจากอะไรเกิดขึ้นจากการมคุณอารมณ์ทุกภาเวธนาเกิดจากอะไรเกิดจากการมคุณอารมณ์ โอเบขา่าเวทนาเกิดจากอะไรเกิดจากกามมคุณอารมณ์ถ้าเวทนาเกิดจากการมคุณอารมณ์เราก็รู้ว่าเวทนาเกิดจากกามมคุณอารมณ์อะไรการมคุณอารมณ์ก็คือรูปเสียงกลิ่นรสพอดถะอันนี้เป็นเป็นกามมคุณอารมณ์เวทนาเกิดขึ้นจากการดูรูปจากการฟังเสียงจากการดมกลิ่นจากการลิ้มรสจากการถูกต้องเย็นร้อนอ่อนแข็งย่อนตึง มีอยู่ถ้าเป็นอิทธารมก็ทําให้เกิดความรู้สึกสบายถ้าเป็นอนิธารมณก็ทําให้เกิดความรู้สึกไม่สบายหรือการเข้าไปเกี่ยวข้องกับอารมณ์บางครั้งก็เกิดความรู้สึกเฉยเฉยสภาพของเวทนาเนี่ยเกิดเกิดจากอา mith แทนใช้ภาษาธรรมะว่าอามิตรเกิดขึ้นจากการอิงการมมขุนอารมณ์เวทนาเกิดจากการออกจากการมมขุนอารมณ์ก็มี ก็มาปฏิบัติธรรมเนี่ยรู้สึกสบายบ้างหรือเปล่าออกจากการมคุณอารมณ์นะการเจริญวิปัสสนาเนี่ยเรียกว่าอิงเนกคขมะแบบนี้เป็นสุขเวทนาอิงเนกคขมะคือปราบจากการออกจากการมมุณอารมณ์แล้วทําให้เกิดความรู้สึกสบายการออกจากการมคุณอารมณ์แล้วรู้สึกไม่สบายมีไหมมีหรือเปล่า มีหรือไม่มีฮะมีมีอย่างไรอะ่ะมาตั้งสามสี่วันแล้วยังกําหนดไม่ได้เลยเครียดมีแม่แบบนี้กําหนดไม่ได้เลยเครียดแล้วก็กําหนดไปแล้วก็มึนงงอกําหนดไปแล้วก็มึนศีรษะปวดศีรษะอย่างเงี้ยกาหนดไปแล้วฟุ้งมากอย่างเงี้ยกําหนดไม่ได้เลยเป็นอะไรอะ่ะเป็นทุกขเวทนาเกิดความรู้สึกไม่สบาย เพราะปรารบการออกจากการมคุณอารมณ์มาปรารบการเจริญวิปปะนากรรมฐานเนี่ยเป็นการปรารบออกจากการมมะขุณอารมณ์ทําให้เกิดความรู้สึกไม่สบายจ็แล้วหรือบางท่านก็ปราถนาอยากจะกระทําให้มากใสใหญ่มาใหม่ๆมีแม้ใสใหญ่เลยกําหนดเต็มที่เลยนะกําหนดไปสักพักหนึ่งฟูงใหญ่เลยเขานี้กําหนดไม่ได้เกิดทุกข์เกิดความรู้สึกไม่สบาย ทุกคาเวทนาอิงเนื้อธรรมะบางคนก็ปราลบการหลุดพ้นถึงกับนั่งร้องไห้ก็มีนะ่ะปฏิบัติกรรมฐานเนี่ยนั่งร้องไห้ก็มีทำไปแล้วนั่งร้องไห้ต้องการจะให้หลุดพ้นแต่ไม่หลุดพน้นท่านยกพระเทระในสบายก่อนนะพระเทระท่านเป็นอาจารย์สอนสอนกรรมฐานสอนปริยัติท่านก็มีรูปศิษย์มากเท่านนี้ ลูกศิษย์ของท่านเนี่ยบรรลุเป็นพระอรหันต์เป็นส่วนมากแต่ตัวท่านไม่ได้บรรลุในวันหนึ่งลูกศิษย์ก็อยากจะมาเตือนอาจารย์อยากจะมาบอกอาจารย์ให้อาจารย์เนี่ยไปปฏิบัติวิปัสนาให้บรรลุเสียอันนี้การเข้ามาเตือนอาจารย์ก็มามาแบบแบบชันฉลาดหน่อยหนึ่งพระอรหันต์ท่านมาเตือนเนี่ยท่านก็ทําทีมาขอเรียนขอเรียนกับอาจารย์อาจารย์ก็จำลูกศิษย์ไม่ได้มาสอนมาได้บรรลุแล้วองค์นี้าจาําไม่ได้อ่ะ เข้ามาถึงพระอาหารท่านก็มาขอเรียนขอเรียนบทอนุโมทนาสักหนึ่งบทอาจารย์บอกว่าไม่ได้หรอกเวลาไม่มีที่จะสอนเนี่ยไม่มีเวลาสอนให้อ่างถึงเวลานั้นก็ไม่มีเวลานี้ก็ไม่มีเวลาออกจากบินรบาดเวลาออกบินรบาดแค่ก็จะเดินตามช่วยสอนให้ตอนนั้นก็ไม่ได้มีรูกศิษย์เดินตามอยู่แล้วเวลาฉันอาหารจะแต่นั่งใกล้ๆฉันเสร็จแล้วช่วยอธิบายให้หน่อยก็ไม่ได้มีรูปศิษย์ตรงไหนตรงไหนก็มีลูกศิษย์หมดเอาตอนเย็ยนๆก็ได้ ท่านพักผ่อนจะไปนวดให้อาจารย์สอนให้หน่อยหนึ่งไม่ได้ตอนนั้นก็มีลูกศิษย์นวดอยู่แล้วถามตอนไหนตอนไหนก็ไม่ว่างเพราะไม่ว่างท่านก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นท่านก็ไม่เรียนนะไม่ต้องการจะเรียนแล้วว่ะอาจารย์เนี่ยจงทําตัวเป็นไม้กระดานคือเป็นที่อาศัยของคนอื่นต่อไปเถอะต่อจากแม่ท่านก็เข้าอภิญญาแล้วท่านก็เหาะขึ้นสู่กลางอากาศไปแล้วไม่อยู่แล้วอาจารย์รู้ทันทีแล้วนี่จงเป็นพระหรหันต์แล้ว โอ้เราเนี่ยยังไม่ได้บรรลุเลยเนี่ยพระทหารมาเตือนแล้วเราคิดว่าทำยังไงดีอะคะนี้ต้องไปปฏิบัติให้บรรลุอย่างเราเนี่ยไม่ยากอะท่านชื่อพระมหาสีระอย่างเราเนี่ยไม่ยากอะวันเดียวก็บรรลุแล้วเพราะลูกศิษย์บรรลุจนนับไม่ถว้วนมีกี่องสอนเขาให้บรรลุเนี่ยนับไม่ถว้วนและตัวเราเองเนี่ยจะยากหรือเพราะนั้นเราเพียงไปบําเพ็ญเส้นหนึ่งวันวันสิบสี่ขั้นปฏิบัติเสร็จแล้วไม่กลับวัดเข้าป่าเลยไปบําเพ็ญ แล้ววันสิบห้าค่ำเราก็จะกลับออกมามาลงอุบสถ ร, รวมกับพระภิกษุสิทธยานุสิ์ร้อมกับการบรรลุเป็นพระหลานออกมาเห็นวาดภาพสวยหรูนะวันเดียวได้บรรลุแล้ววาดภาพก็สวยหรูเลยครับนี้ไปปฏิบัติจริงๆมันไม่ง่ายดังที่ทานท่านคิดเนี่ยหนึ่งวันผ่านไปท่านไม่ได้อะไรเลยจากหมูจากคณะไปจิตก็กังวลคิดถึงลูกศิษย์ คิดถึงหมู่คิดถึงคณะจิตจังวอนเจริญสติไม่ได้ก็ไม่ได้บรรลุไม่ได้บรรลุท่านก็ใจเด็ดนะ้วไม่ออกจากป่ามีนนบัตเสร็จแล้วท่านก็อยู่ในป่าบําเพ็ญอยู่บําเพ็ญเจ็ดวันผ่านไปก็ไม่ได้บรรลุเจ็ดเดือนผ่านไปก็ไม่ได้บรรลุเจ็ดปีผ่านไปก็ไม่ได้บรรลุท่านจะทําความเพียญถึงสามสิบปีเต็มๆอยู่ตรงนั้นเนี่ยจนกระทั่งไม่มีเวลาที่จะมาดูแลร่างกาย ปล่อยเลยจะเป็นอะไรก็เป็นปฏิบัติอย่างเดียวจนกระทั่งวาระสุดท้ายเนี่ยท่านก็ย้อนมาพิจารณาเราสามสิบปีแล้วมาบำเพ็ญโยแล้วเราไม่ได้บรรลุคุณธรรมอะไรเลยบรรดาลูกศิร็จเขาก็บรรลุ ก, กันไปเป็นส่วนมากแต่เราเป็นผู้อาภัพเสียแล้วฉะนั้นเราเนี่ยคงจะเป็นบุคคลผู้อาภัพในธรรมวินัยอันนี้ในการบรรลุธรรมเนี่ยเป็นอาภัพพระบุคคลท่านะ พอ่านคิดว่าท่านเป็นบุคคลผู้อาภัพในมรรคผลนิพพานท่านนั่นแหละท่านก็เสียใจร้องไห้ออกมาเนะลยร้องไห้โฮออกมานะ่ะลองดูว่าพระร้องไห้ในป่าเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นคราวนี้เทวดาสงสาร่ะก็มาเตือนท่านเทพนาลีเทวดาผู้หญิงเนี่ยมาเตือนวิธีการมาเตือนก็มายืนอยู่ใกล้ๆพอยืนอยู่ใกล้ๆ ก, ก็มายืนร้องไห้แข่งกับท่าน เทวดาก็ร้องไห้โฮเหมือนกันพอได้ยินเสียงเทวดาร้องไห้เนี่ยผู้หญิงร้องไห้ก็ไอ้วิญญาณนักสอนเนี่ยมันเกิดอยากจะช่วยเขาเพราะเป็นอาจารย์สอนคิดจะช่วยเขาเพราะสอนเขาเนี่ยสอนง่ายสอนตนเองสอนไม่ได้ก็เลยถามว่าท่านเป็นใครเป็นเทวดาเทพนารีเจ้าค่ะอามาร้องไห้ทําไมอ่ะที่มาร้องไห้เนี่ยไม่ใช่อื่นใครอ่ะ มาร้องไห้เนี่ยเพราะเลื่อมสายศรัทธาในตัวท่านแ่ะเอาเรื่อมสายศรัทธาอย่างไรอ่ะเรื่อมสายศรัทธาเห็นพระคุณเจ้าตั้งใจปฏิบัติเพื่อต้องการบรรลุมรรคผลนิพพานดิฉันก็ตั้งใจปฏิบัติ ด, ด้วยพอมาถึงตอนนี้เห็นพระคุณเจ้าร้องไห้ดิฉันคิดว่าการร้องไห้จะเป็นเหตุให้บรรุเลยร้องไห้ตามท่านด้วยเจ้าค่ะร้องไห้ตาม พอคิดว่าการร้องไห้จะเป็นเหตุให้เกิดการบรรลุท่านก็บอกว่าเนี่ยเราเผลอนิดเดียวเนี่ยเทวดามาย่อเย้ยแล้วนะตัว่าเทพนาลีมาเย่อเย้ยท่านแล้วขาดสตินิดเดียวเท่า น, นั้นเองทําให้เสียใจร้องไห้ในการเสียใจในลักษณะนี้ท่านเรียกว่าต้องการออกจากกามคุณอารมณ์แล้วมันไม่ได้ออกสมใจนึกก็เลยเกิดการเสียใจอันนี้ทําอย่างไรอ่ะเวลาเสียใจก็ กำหนดความรู้สึกเสียใจทุกขเวทนาอิงเนธรรมะนั่นแหละท่านพระมหาสิวะท่านก็เจริญสติโดยการกำหนดเวทนาแล้วก็ได้บรรลุเป็นพระอหรหันต์ใช้เวลาถึงสามสิบปีเต็มๆน่ะท่านไปกระทำความเพียรทำไมเรื่องบางเรื่องเป็เส้นผมบางภูเขาตัวท่านเองก็สอนอยู่ทุกวันน่แต่ท่านเอามาใช้ในตัวเองเอ่ะต้องไมา่เามาเามาใช้ไม่ได้ ไม่สามารถจะหยิบเอามาใช้ได้เนี่ยสอนให้คนอื่นแก้อารมณ์ให้เขาได้ทุกอย่างเนี่ยเขาเป็นอย่งงางนั้นแกงงนงงน่อย่างนั้นอย่างนั้นแต่ตอนถึงตัวเราเองแก้ไม่ได้เป็นเป็นไปได้นะในการปฏิบัติเนี่ยจำเป็นต้องมีกัลยาณมิตรเข้าไว้กัลยาณมิตรไว้คอยแก้อารมณ์ให้ใหการสอบอารมณ์ไม่ใชอื่นไกลอ่ะคือแก้อารมณ์นั่นเองเราก็ไปเล่าเล่าเล่าให้อาจารย์ฟัง อาจารย์ท่านก็นั่งฟังแล้วไปสอนอารมณ์ต้องไปเล่านะบางทีต้องให้อาจารย์ถามจึงเล่าออกจึงก็เล่าเลยเราปฏิบัติได้มายังไงเล่าไปเถอะโกหกท่านท่านก็รู้เล่าจริงๆท่านก็รู้เราเล่าไปเนี่ยมันปกปิดกันไม่ได้นะซักไปซักมาเดี๋ยวก็บอกแล้วว่าอาการโกหกบอกแล้วเราเราเล่าเรื่องไม่จริงพอเล่าไปเล่าไปเล่าไปเนี่ยอาจารย์ท่านก็จะรู้ว่าการปฏิบัติอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ตรงหรือไม่ตรงถ้าไม่ตรงท่านก็จะแก้ให้ ไม่ใช่เราไปเล่าจะเอาความดีเอาความสามารถเอาความเด่นไม่ใช่เป็นอย่างนั้นนะแต่เล่าเพื่อบอกว่าการปฏิบัติของเราขณะนี้มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อาจารย์นั่นก็จะฟังพอฟังแล้วท่านก็จะรู้ว่าควรจะแก้ยอย่างไรท่านก็จะบอกทางที่ถูกใส่ใจที่ถูกแค่ น, นี้ท่านก็นแนะอตรงอย่างนี้นะทุกคนก็เล่าเล่าๆไปก็จะรู้แล้วว่าที่ทําไปนั้นบางทีเกินไปที่ทําไปแล้วบางทียังไม่ถูก ก็จะบอกต้องใส่ใจอย่างนี้นะกําหนดอย่างนี้นะแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ถามอะไรมากมายนะเพราะว่าเรายังเรียนอยู่ในบทอะไรอะในบทของอิริยาบทเนี่ยอริยาบทสี่อริยาบทย่อยแล้วถามก็ไม่ได้ถามเกินบทอ่สอบถามก็สอบถามเท่าเนี้อย่างถ้ามาสอบถามเนี่ยโยมก็มาเล่าการกําหนดใส่ใจในอริยาบททันหรือไม่ทันเวลากําหนดเนี่ย กำหนดยังไงนั่งอยู่เนี่ยรู้สึกตัวทุบพร้อมรู้อย่างไรรู้ที่ไหนอรู้คราวเดียวหรือรู้หลายคราวหมดบางคนก็นั่งเห็นเป็นภาพตัวเองเนี่ย น, นั่งสักพัหากาหนึ่งหลับตานิ่งก็มองเห็นภาพตัวเองเนี่ยนั่งเด่นอยู่ก็เลยอ๋อแบบนี้เองรู้สึกตัวทุบพร้อมอนะ่ะที่แท้ไม่ใช่อ่ะการรู้สึกตัวทุบพร้อมไม่ได้เห็นเป็นรูปภาพแต่รู้สึกตัวทุพร้อมเนี่ยรู้ด้วยจิตธรรมดาอย่างเนี้ย เนี่ยนั่งอยู่อย่างนี้นึกไปตรงไหนก็รู้นึกไปในส่วนของกายส่วนกลางเราก็รู้เป็นอย่างนี้เพียงแต่รู้สึกนึกไปในส่วนนี้ก็รู้รู้อาการนี้นึกไปในส่วนนี้ก็รู้รอาการนี้นึกไปในส่วนบนก็รู้อาการเป็นอย่างนี้คือเข้าไปรู้ในอาการนั้นๆเพียงแต่เข้าไปรู้สึกขณะที่น้อมใจไปละลึกถึงเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสติและสมปัญญาได้เกิดขึ้น นจุดมุ่งหมายของการเข้าไประลึกรู้เนี่ยเพื่อต้องการพัฒนาจิตเนี่ยให้มีสติและสัมปชัญญะอผลที่ได้รับก็คือสติและสัมปชัญญะเท่านั้นเนี่ยไม่ได้รับอย่างอื่นน่ะผลของการปฏิบัติธรรมเนี่ยให้เราเข้าใจว่าคือสติและสัมปชัญญะพอสติและสัมปชัญญะเต็มรอบบริบูรณ์แล้วเนี่ยวิปัสสนาปาก็เกิด เห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่แตกดับไปของสิ่งที่มาปรากฏจะเป็นอย่างนั้นอันนั้นเป็นเป็นผลที่แท้จริงคือวิปัสสนาปัญญาต้องการให้เห็นเท่านั้นที่เราพูดกันถึงเรื่องความรู้สึกสบายไม่สบายเฉยเฉยก็เหมือนกันเวทนาเนี่ยมีอยู่ก็เพียงศัก์แต่ว่าเป็นเครื่องอาศัยระลึกรู้ ท่านจะสรุปไว้แบบนี้นะกายมีอยู่ก็เพียงศักแต่ว่าเป็นเครื่องอาศัยระลึกรู้เวทนามีอยู่ก็เพียงสัก์แต่ว่าเป็นเครื่องอาศัยระลึกรู้จิตมีอยู่ก็เพียงสักด์แต่ว่าเป็นเครื่องอาศัยระลึกรู้หรือสภาพะทธรรมมีอยู่ก็เพียงสักดแต่ว่าเป็นเครื่องอาศัยระลึกรู้เห็นไหมท่านให้ความสําคัญแก่อะไรอ่ะท่านให้ความสําคัญเกี่ยวกับการระลึกแล้วก็เกี่ยวกับความรู้สึกท่านจะให้ประเด็นสําคัญอยู่ตรงนี้ ถ้าระลึกแล้วรู้สึกจะใช้ได้ระลึกต้องกระทำบ่อยๆรู้สึกต้องให้รู้สึกบ่อยๆพอระลึกบ่อยๆรู้สึกบ่อยๆจิตก็พัฒนาไปสู่ระดับของวิปัสสนาปัญญาไอ้คามระลึกไวรู้ไวเนี่ยจะเป็นเหตุให้เรารู้ทันในอารมณ์ต่างๆทั้งหมดและอารมณ์ต่างๆที่เราจะต้องไปรู้ในอนาคตก็คือสิ่งที่มาปรากฏทางตาย สิ่งที่มาปรากฏทางหูสิ่งที่มาปรากฏทางจมูกสิ่งที่มาปรากฏทางลิ้นสิ่งที่มาปรากฏทางกายหรือสิ่งที่มาให้ใจรู้สึกทางใจโดยตรงเนี่ยท่านต้องการให้เรารู้รู้อารมณ์ต่างๆเหล่านะรู้ทันนะรู้ทันในที่นี้ก็รู้ปรากฏการเกิดขึ้นครั้งแรกแล้วกว็ดำเนินอยู่แล้วกว็หมดไปมันจะมีการเกิดขึ้นครั้งแรกเรารู้ แล้วก็ปรากฏอยู่ก็รู้หมดไปก็รู้เนี่ยต้องการรู้ให้รู้อย่างนี้ถ้ารู้ในลักษณะอย่างนี้เรียกว่าวิปัสนาปัญญาแล้วเป็นวิปัสนาปัญญาดงั้นอารมณ์ที่จะทําให้วิปัสนาปัญญาเกิดนั้นจะต้องเป็นสิ่งที่มีการเกิดและการดับจึงจะเป็นอารมณ์ของวิปัสนาได้และสิ่งที่มีการเกิดการดับนั้นจะต้องเป็นปรมาถธรรม เรามาจะทำก็คือรูปและนามตามสมนวนของวิปัสสนาอารมณ์ของวิปัสสนาก็มีรูปและมีนามเป็นอารมณ์แต่ครั้นี้เรามาพูดกันถึ ง, ถงสติปัฏฐานเนี่ยเวลาพูดถึงสติปัฏฐานเนี่ยเพื่อเป็นการฝึกฝึกสติให้ชำนาญและสัมปชัญญะให้ชำนาญเพื่อให้วิปัสสนาเกิดขึ้นติดตามมาจุดมุ่งหมายเป็นอย่างนั้นนะ ที่จะเกิดขึ้นติดตามมาคือวิปัสสนาปัญญางั้นแอบละลึกให้ไวไว้ก่อนรู้สึกให้ไวไว้ก่อนพอละลึกไวรู้สึกไวต่อไปก็ไปละลึกถึงรูปที่กระทบทางตาเสียงที่มาปรากฏทางหูกลิ่นที่มาปรากฏทางจมูกรสที่ปรากฏทางลิ้นเย็ยนร้อนอ่อนแข็งอย่างตึงที่ปรากฏทางกายสภาพอารมณ์ต่างๆที่ปรากฏทางใจโดยจบเราก็ไปรู้สิ่งนั้นเข้าไปรับรู้สิ่งนั้น พอเข้าไปรับรู้สิ่งนั้นเห็นสิ่งนั้นมาก็รู้นะหมดไปก็รู้มีก็รู้หมดก็รู้ภาษาง่ายๆนะมีก็คือเกิดภาษาธรรมะคาว่าเกิดก็คือมีหมดก็คือดับเี่มีเกิดหมดดับที่บอกว่าเกิดดับเกิดดับเห็นรูปเกิดดับเห็นความรู้สึกเกิดดับเห็นความรู้สึกสบายเกิดดับเห็นความรู้สึกไม่สบายเกิดดับเห็นความรู้สึกเฉยๆเกิดดับ สิ่งล่านี้ต้องอาศัยการใส่ใจดูการเข้าไปใส่ใจดูเนี่ยเหมือนกับเราทําการบ้านนะ่ะที่เราเราฝึกกันเนี่ยบางคนไปเดินไปเดินมาเนี่ยเป็นการทําการบ้านเดินเพื่อกําหนดเดินไปเดินมาเนี่ยกําหนดให้ทันทันอาการทันอากาศกิริยาอาการเมื่อกําหนดทันอากาศกิริยอาการต่อไปไอ้ความไวของสติเนี่ยก็เอาไปใช้เกี่ยวกับความรู้สึกได้ กติที่เราฝึกจากการกําหนดกายเดินกายยืนกายนั่งกายนอนเนี่ยสามารถเอาไประลึกถึงความรู้สึกที่เกิดขึ้นก็ได้เหมือนกับเราเรียนหนังสือเนี่ยเรียนกอไก่ข้อไขเอาไปอ่านหนังสือเล่มอื่นๆก็ได้เรียนกอไก่ข้าไขแล้วผสมตัวอักษรเป็นใส่สระใส่พยัญชนะใส่สระประกดมาเป็นคำคำได้แล้วในอนาคตก็อ่านหนังสือเล่มอื่นๆได้ต่อไปเราก็ไปอ่านหนังสือเล่มใหญ่ ในชั้นอื่นๆได้ชั้นใดก็ชั้นนั้นเนี่ยในการเริ่มกําหนดกายเดินกายยืนกายนั่งกายนอนก็เหมือนกับเราเรียนมาใหม่ๆเดินผิดเดินถูกนะกําหนดผิดกําหนดถูกทันบ้างไม่ทันบ้างก็เหมือนกับการเขียนหนังสือผิดผิดถูกถูกนั่นแหละแต่เราพยายามไปเรื่อยๆก็จะกําหนดทันตัวเองพอเรากําหนดทันแล้วต่อจากนั้นก็กําหนดได้ใหม่ๆแล้วก็เขียนลาบากนะโจกอไข่เนี่ยเขาไข่เขียนลําบาก มาปัจจุบันนี้ทำไมเราเขียนสบายล่ะสมัอก่อนเราจะเขียนได้แต่ละตัวเนี่ยต้องลากขึ้นลากลงทั้งนานแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยเราสามารถขี่ขีเขียนเขียนเป็นตัวอักษรแล้เพราะความชานาญนั้นนั่นเองการเจริญสติก็เหมือนกันนั้นนะั่นแหละเหมือนกรัรฝึกขับขรถขัรถใหม่ๆมันจะชนมันจะเฉี่ยวต้องระวังมากการเจริญสติใหม่ๆก็เหมือนกับการฝึก ข, ขับรถมันก็การฝึก ข, ขี่จักรยานล้มบ้างขี่ได้บ้างเนี่ย มันจะเราฝึกทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยเระชานแ ล, แล้วเราก็สะดวกงั้นการการฝึกไปการฝึกเนี่ยไม่จาเป็นต้องถูกทั้งหมดนะผิดบ้างก็ได้เพราะไม่มีใครทำอะไรถูกทั้งหมดอะ่ะหรือถ้าถูกทั้งหมดได้ก็ดีนะแต่เราทำแล้วถูกทั้งหมดได้ก็ดีงั้นมันทาผิดบ้างแล้วต่อไปมันจะไปลงตัวคือถู ก, ถกเมื่อเราทําไปเรื่อยๆมันก็จะไปลงตัว กำหนดถูกบ้างผิดบ้างถูกบ้างผิดบ้างเนี่ยแล้วต่อไปมันก็ถูกเห็นไหมกําหนดใหม่ๆเกเกันกลางๆเนี่ยกําหนดเป็นสักระยะหนึ่งคล่องตัวแล้วมาปัจจุบันนี้เป็นไงก็เรื่องคล่องตัวมากขึ้นมากขึ้นกําหนดใหม่ๆอาจจะมีคําบริกรรมหน่อยหนึ่งกําหนดเป็นสักระยะหนึ่งคำบริกรรมก็ค่อยๆหายไปมาปัจจุบันนี้ใส่ใจได้สบายแล้วเอออย่างนี้เอง่ย้อนกลับไปดูวันแรกเป็นยังไงบ้างอ่ะวันแรกกับวันนี้ไม่เหมือนกันการปฏิบัติก็เป็นไปในลักษณะนี้ วันนี้เรมาเอาเรื่องเวทนามาเสริมน่ะก็คงไม่ละเอียดจนเกินไปอ่ะความรู้สึกทุกชนิดนำเอามาเป็นอารมณ์ของสติได้ทั้งหมดความรู้สึกสบายก็มาเป็นอารมณ์ของสติได้ความรู้สึกไม่สบายเอามาเป็นอารมณ์ของสติได้ทําให้สติเกิดขึ้นได้เท่าๆกันความรู้สึกเฉยเฉยก็นำเอามาเป็นอารมณ์ของสติได้ ุขทุกข์เป็นแต่เพียงเวทนาเท่านั้นนะแล้วก็สภาพของสุขเวทนาทุก ข, ขะเวทนาอุเบกขาเวทนามีอยู่ก็เพียงเพื่อให้เราอาศัยให้สติเข้าไประลึกถึงให้สัมปชัญญะนั้นบังเกิดขึ้นรู้สึกตัวทุกพร้อมพอสติและสัมปชัญญะของเราเกิดขึ้นบริบูรณ์เนี่ยเป็นสัมปชัญญะสี่ประการนะ เป็นศัตร์สัมปชัญญะเป็น ส, าน ป, น ป, นส ป, ปายะสัมปชัญญะเป็นโคจรสัมปชัญญะเป็นอสัมบูหัสัมปชัญญะวิพัฒนาปัญญาก็เกิดค่เนี้ยปัญญาเกิดแล้วเราก็รู้เท่าทันแล้วใจของเราก็จะไม่เป็นทุกข์ต่อไปอันนี้ก็นำเอาเรื่องเวทนามาปรารบเพียงเท่านี้นะคิดว่าคงจะทำให้เกิดสาระเกิดประโยชน์เรากาหนดกายมาพอประมาณแล้ว คราวนี้ลองมากําหนดความรู้สึกบ้างแล้วความรู้สึกที่ชัดเจนก็เอาความรู้สึกหยาบๆของสุขเวทนาทุกขเวทนาทางกายก่อนนั่งนานกายปวดรู้สึกไม่สบายขยับเปลี่ยนทันทีเลยรู้สึกสบายตามมารู้สึกสบายสักระยะหนึ่งเดี๋ยวรู้สึกไม่สบายอีกขยับอีกงั้นเวลานั่งเนี่ยไม่ต้องบังคับไนงะไม่ต้องบังคับบางท่านเขาบอกว่าทําไมต้องบังคับต้องการจะ ให้เวทนาปรากฏชัดใชคือต้องการจะกําหนดเวทนาอ้าวกำหนดเวทนาอะไรกําหนดทุกขเวทนาแล้วสุขไม่กําหนดหรือเขาบอกสุขเป็นอารมณ์ได้ไม่สุขเนี่ยสุข ก, ก็เป็นอารมณ์ได้แล้วทําไมไม่คิดจะกําหนดสุขบ้างอะแต่เข้าใจว่าครเวทนาเท่านั้นเป็นเวทนาแต่สุขเวทนาไม่ยอมกําหนดอุเบกขาเวทนาไม่ยอมกําหนด คันเวทนาก็จะเกิดสับเปลี่ยนเวียนกันไปเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องไปนั่งบังคับให้ทุกขเวทนาเกิดนะรารู้สึกเป็นทุกขไม่สบายเราก็เปลี่ยนเลกินอิยาบทอันนี้มันก็มีนะถ้าต้องการจะให้จิตสงบนะครูบาอาจารย์ท่านจะให้ฝืนทําไมจึงต้องฝืนนะฝืนเพื่ต้องการให้จิตของเราเนี่ยสงบทําสมาธิเพ็นจะได้นะนั่งฝืนนั่งทนอยู่พอทนอยู่เนี่ยปวดมากๆจิตไม่ไปไหนเนะ ปวตรงไหนจิตจะอยู่ตรงนั้นเนี่ยพอจิตอยู่ตรงนั้นจิตไม่ไปที่อื่นแล้วพอจิตไม่ไปที่อนก็เสมาธิดูไปสักครั้งโลง่งเบาสบายจิตเปสมาธิแล้วงั้นตรงนี้ก็เป็นเหตุให้เกิดสมาธิได้ถ้าเราจะเอาสมาธิเราก็ฝืนนะพ้าเราจะปัญญาเราก็ไม่ต้องฝืนถามใจว่าจะเอาอะไรนะท่านทั้งหลายถามใจดูถ้าเราต้องการให้จิตเป็นสมาธิบ้างก็อาศัยทุกสี่กําลังเกิดขึ้นแล้วใส่ใจดู ทุกเนี่ยเป็นสิ่งปรากฏชัดใจเข้าไปดูแล้วใจจะไม่ไปที่อื่นเป็นเหตุให้เกิดสมาธิได้อาศัยทุกทําให้เกิดสุขในด้านของการเจริญสมาธิก็ได้อาศัยทุกดับทุกในด้านของการเจริญวิปัสสนาก็ได้เราเลือกเอาจะเอาแนวไหนนะฐานใส่ตัวเองก่อนว่าเราต้องการอะไร ถ้าต้องการปัญญาก็กำหนดไม่ต้องฝืนถ้าเราต้องการสมาธิฝืนแล้วได้สมาธิครูบาอาจารย์บางท่านท่านก็ให้เราฝืนเพราะต้องการให้เกิดสมาธิแต่ครูบาอาจารย์ในแนวของวิปัสสนาไม่ไม่นิยมให้ฝืนเพราะเปลี่ยนได้ทันทีจิตสัดสายจะเป็นเหตุให้กำหนดได้ลำบากพอเปลี่ยนแล้วอาการรู้สึกไม่สบายหมดอาการสัดสายหมด ก็จะกำหนดปัจจุบันได้สะดวกเวาเรากำหนดแต่สักระยะหนึ่งเนี่ยก็ก็เกิดการกำหนดทันทันเสียงเนี่ยเวลาทันเสียงเนี่ยทันง่ายทันไม่ยากะมีเคล็ดลับนิดเดียวเท่านั้นเองการกำหนดเสียงให้ทันเนี่ยนะคือเสียงเนี่ยจะจะมีหลายเสียงการเข้าไปกำหนดแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยเอาเอาเสียงชัดเจนเพียงเสียงเดียวเท่านั้นเองตอนนี้ต่อมาพูดอยู่นะเสียงอื่นก็มีใช่ไหม เสียงก๊กก๊กแก๊กแก๊เนี่ยมีอยู่เสียงคนเดินมีอยู่เสียงอะไรเนี่ยมีอยู่จริงๆแล้วจิตเนี่ยจดจ่อเสียงที่ตะมาบรรยายอยู่แตเสียงก๊กแก๊กก๊กแก๊กก็ดังแก๊กเข้ามาให้เราได้ยินอย่าเงี้ยขณะนั้นเนี่ยให้ให้เราเราเรากําหนดเนี่ยเราจะกําหนดยังไงก็ไปกําหนดเสียงที่ดังแก๊กใหม่นั่นเนี่ยเวลากําหนดเนี่ยเรากำหนดแบบไหนในเบื้องต้นเนี่ยเพื่อต้องการที่จะถ่ายถอนบรรัญญัตให้บรรัญญัติหลุดไปได้ง่ายเนี่ย วิธีการกำหนดก็คือใส่ใจในเสียงที่ดังแล้วนั้นเพื่อต้องการจะรู้ว่าเขาหมดไปอย่างไรอันนี้เป็นเคล็ดลับนะที่จะทำให้เรากำหนดง่ายเวลามีเสียงมาเนี่ยเราไม่ต้องรำคาญในเสียงนะผู้เจริญวิปัสสนาเนี่ยไม่ต้องรำคาญนะเพราะเราไม่ได้มุ่งเอาความสงบแต่เรามุ่งอาสติและสัมผัญญรรมะในขณะนี้ท่านทั้งหลายลองสังเกตเลยขมมาก็บรรยายเสียงอื่นเข้ามา เสียงอื่นเนี่ยเขามาชัดมาตัดเสียงที่ตรอมมาพูดอยู่เสียงที่มาก็แก๊กช็อคเช็คอะไรต่างๆเนี่ยเราเราก็เข้าเข้าไปกำหนดรู้เสียงนั้นและเราทำความรู้สึกดูว่าเขาหมดไปอย่างไรให้ไปใส่ใจดูการหมดไปของเสียงนั้นถนึงเสียงคนเดินมีอยู่เสียงอะไรเนี่ยมีอยู่จริงแล้วจิตเนี่ยจดจ่อเสียงที่ธรรมาบรรยายอยู่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 เพื่อต้องการจะรู้ว่าเขาหมดไปอย่างไรอันนี้เป็นเคล็ดลับนะที่จะทําให้เรากําหนดงานเวลามีเสียงมาเนี่ยเราไม่ต้องรําคาญในเสียงนะ่ะผู้เจริญวิปัสนาเนี่ยไม่ต้อง ร, ารนะําคาญนะเพราะเราไม่ได้มุ่งเอาความสงบแต่เรามุ่งเอาสติและธรรมปัญญาในขณะนี้ท่านทั้งหลายลองทั้งเกตเลยเข้ามาก็บรรยายเสียงอื่นก็มาเสียงอื่นเนี่ยเข้ามาชัดมาตัดเสียงที่ตมาพูดอยู่แล้วเสียงที่มาก็ แก๊กช็อเช็คอะไรต่างเนี่ยเราเราก็เข้าเข้าไปกําหนดรูเสียงนั้นและเราทําความรู้สึกดูว่าเขาหมดไปอย่างไรให้ไปใส่ใจดูการหมดไปของเสียงนั้นเนีอันนี้พอเราไปใส่ใจดูการหมดไปของของเสียงนั้นเนี่ยเสียงเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเสียงปรากฏนิดเดียวเท่านั้นเองลองสังเกตให้ดีนะเสียงแก๊กเนี่ยมันนิดเดียวแล้วมันหมดไปเลย แล้วเราก็จะเห็นแก๊กหมดไปเราไปใส่ใจในการหมดจิตก็เลยไม่ปรุงต่อว่าเป็นเสียงอะไรแต่ถ้าไม่ใส่ใจในการหมดไปใส่ใจในเสียงไม่ถูกเนี่ยมันจะปรุงรู้ว่าเป็นเสียงอะไรอะไรเสียงนกเสียงฟ้าร้องเสียงคนพูดกันเสียงอะไรต่างๆเนี่ยมันจะไปใส่ใจตรงนั้นแต่ปัจจุบันนี้เราไม่สใาส่ใจแบบนั้นเราใส่ใจการดับไปของเสียงแต่รับเสียงแต่รับเสียงที่มี <ๆ S 2> อยู่ พอไปใส่ใจเสียงแต่ละเสียงแต่ละเสียงเนี่ยเพราะเรากำหนดทันเนี่ยนะจิตของเราเนี่ยจะเบาจิตจะเบาแล้วก็จะทำให้เรารู้สึกสบายต่อการกำหนดเสียงแล้วก็รู้ว่าเสียงไม่เป็นอุปสรรคอะไรการกำหนดเสียงเนี่ยท่านกำหนดอย่างนี้นี้จุดมุ่งหมายของการเข้าไปกำหนดรูเนี่ยกำหนดรู้อย่างไรจุดมุ่งหมายก็คือเพื่อต้องการเห็นเสียงนั้นเนี่ยเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป ในการเจริญที่ปัตตนากรรมฐานเนี่ยเรามีจุดมุ่งหมายตรงนั้นเพราะการเห็นปรากฏประการเนี่ยกับการเห็นการเสื่อมไปเนี่ยเป็นการเห็นด้วยปัญญาตรงนั้นท่านเรียกว่าวิปัสนาปัญญาเนเห็นเป็นอนิจจังเห็นเป็นทุกข์เห็นเป็นอนัตตาเห็นเป็นไตรลักษณ์เสียงเสียงที่มาปรากฏสภาพของเสียงที่มาปรากฏเราสังเกตดูนะท่านหลาลองจับดูก็ได้ที่ตมาพูดจารกรรมจารกรรมเนี่ย ว่าเสียงในเบื้องต้นเนี่ยชัดเจนตรงไหนมากที่สุดถ้าเราสังเกตดูให้ดีเราจะพบว่าเสียงที่ชัดเจนที่สุดก็คือเสียงดับเสียงเกิดจะปรากฏไม่ชัดเจนจะชัดเจนแต่เสียงดับตรงนี้ในในวิปัสสนานะ่ะวิปัสสนาญาณเนี่ยไปถึงญาณที่มองเห็นการเกิดขึ้นนะตั้งอยู่ดับไปเนี่ยท่าเรียกว่าสัมมาสนญาณตรงนั้ น, เน่เห็นรูป ก็จะเห็นเสมอกันคือเห็นเกิดขึ้นตั้งอยู่แตกดับไปเห็นนามเนี่ยก็จะเห็นเสมอการเห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่แตกดับไปการเห็นตรงนี้เห็นไม่ชัดเจนเห็นการเกิดก็ไม่ชัดเจนการตั้งอยู่ก็ไม่ชัดเจนการดับไปก็ไม่ชัดเจนต่อจากนั้นพอลอยวิปัสสนาญาณตรงนี้เนี่ยวิปัสสนาญาณเริ่มเริ่มแก่กล้าขึ้นเนี่ยจะไปมองเห็นการเกิดและการดับมองเห็นแต่การเกิดการดับ ท่านนี้ท่านบอกว่าเวลาเห็นเนี่ยไอ้ที่ชัดเจนก็คือเห็นเห็นการดับเนี่ยจะชัดเจนไปเวลาสุดท้ายที่ชัดเจนจริงๆเนี่ยนะเห็นการเกิดการดับนี่ก็ยังเห็นไม่ชัดเจนเวลาไปเห็นการชัดเจนจริงๆเนี่ยจะไปเห็นแต่เฉพาะดับไปดับไปดับไปตอนนี้ถนนประมาเหมือนกับเรามองไปที่ทางสามแยกแล้วเราก็อยู่ในซอย เรามองไปเนี่ยรถยนต์ก็จะวิ่งผ่านทางสามแยกนั้นระหว่างรถที่วิ่งผ่านเนี่ยรถที่วิ่งมาเนี่ยการปรากฏของรถเนี่ยเราเรามองไม่ชัดเนี่ยแต่รถผ่านแวบไปแวบไปแวบไปเนี่ยเราจะเห็นตรงนั้นชัดเจนอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยเวลาเรากำหนดกาหนดเสียงเนี่ยเราก็จะเห็นว่าไอ้ที่ชัดเจนแกเราในเบื้องต้นก็คือการหมดไปการหมดไปเราก็เลยไปใส่ใจ ก, การหมดไปซะเลย เขาไปใส่ใจเข้าไปสําคัญมั่นหมายว่าต้องการจะดูการหมดไปนี้ไหนระหว่างเสียงดังเนี่ยจะมีเสียงในลักษณะนี้นะจะมีเสียงที่ดังประเภทดังยาวแล้วก็ดังสั้นแล้วเสียงที่ดังเนี่ยก็จะมีเสียงใกล้เสียงไกลเสียงเบาเสียงแรงก็จะมาแต่แต่ละเสียงแต่ละเสียงเนี่ยเวลาปรากฏเนี่ยเขาจะปรากฏชัดเจนเพียงหนึ่งเสียงปรากฏแก่สติปัญญาของเราเนี่ยชัดเจนเพียงหนึ่งเสียงเท่านั้น เราก็ใส่ใจนะเสียงที่ชัดเจนที่สุดใส่ใจในลักษณะว่าเสียงนั้นจะหมดไปอย่างไรไปตั้งสมมติฐานไว้ไว้ในใจลักษณะนี้ว่าเสียงนั้นจะหมดไปเมื่อไรเราตั้งสมมติฐานไว้ในใจแบบนี้แล้วเราก็ใส่ใจดูเราก็จะเห็นเสียงดังแล้วเสียงก็หมดทันทีเลยไม่ใช่ดังอยู่แต่ดังแล้วหมดเราก็จะเห็นเสียงดังแล้วหมดไปเสียงดังแล้วหมดไปเสียงดังแล้วหมดไป เราก็จะเห็นแต่การหมดไปการหมดไปการมีเนี่ยเขาเรียกว่าเกิดการหมดเนี่ยเขาเรียกว่าดับเสียงปรากฏเกิดขึ้นมีอยู่เนี่ยเรียกว่าเกิดเสียงหมดไปเนี่ยเรียกว่าดับเราก็จะไปเห็นการดับนะการดับของเสียงแต่ละเสียงแต่ละเสียงว่าไม่มีอะไรเราใส่ใจไปอีกสักระยะหนึ่งเนี่ยสติของเราก็จะจะละเอียดยิ่งขึ้นสัมปชัญญะของเราก็จะละเอียดยิ่งขึ้น พอสติสัมปชัญญะของเราละเอียดยิ่งขึ้นแล้วต่อจากนั้นเนี่ยเราก็จะมองเห็นเสียงที่เกิดขึ้นแล้วก็มองเห็นเสียงที่ดับไปจะเห็นทั้งสองประการเะเขาเกิดขึ้นเราก็รู้เขาดับไปหมดไปเราก็รู้ไปเห็นในลักษณะอย่างนี้เวลาใดเนี่ยปัญญาก็เกิดปัญญาคือวิปัสสนาปัญญาก็เกิด เวลาไปรู้เนี่ยจะไม่มีการปรุงแต่งพอเรารู้ไปสักระยะหนึ่งเนี่ยไอตัวปรุงแต่งเนี่ยจะหมดไปปรุงแต่งว่าเสียงอะไร อ, อะไรเนี่ยจะหมดไปจะมีความรู้สึกในเสียงนั้นและเสียงนั้นหมดไปเท่นั้นเองไอที่เราเคยสําคัญมั่นหมายว่าเสียงรถเสียงเรือ <Yeah. S 1> เสียงคนพูดจันต่างๆนั้นจะไม่มีนะไม่มีการปรุงแต่งทาไมมีการปรุงแต่งว่าเป็นเสียงอะไรอะไรเนี่ย ขณะนั้นเน่ท่านเรียกว่าเราเข้าถึงปรมัติตย์นะเข้าถึงตัวปรมัติต์ที่แท้จริงเพราะตัวปรมัติต์ที่แท้จริงก็คือสิ่งที่ปรากฏสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยเป็นปรมัติต์ทางตาสิ่งที่ปรากฏทางหูก็เป็นปรมัติต์ทางหูสิ่งที่ปรากฏทางจมูกก็เป็นเป็นปรมัติต์ทางจมูกสิ่งที่ปรากฏทางลิ้นก็จะเป็นปรมัิต์ทางลิ้นเป็นเป็นรูปธรรมทั้งหมดเป็นเป็นสภาพของรูปธรรมนะ รูปที่ปรากฏทางตาเนี่ยเป็นรูปประธรรมเป็นปรมาตก์มล้ก็เป็นปรมัตก์เนี่ยเขาก็มีการเกิดการดับการปรากฏและการหมดไปเราใส่ใจดูเขาเราก็จะเห็นการปรากฏของเขาการดำรงอยู่ของเขาและการหมดไปของเขาเห็นอย่างนี้เรียกว่าเราเห็นเห็นเสมอกันเห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่แตกดับไปเมื่อเห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่แตกดับไปเราก็เข้าใจชัดเจนวัดเสียงนี้ เป็นของไม่เที่ยงเสียงนี้คงทนอยู่ไม่ได้เสียงนี้หมดไปเป็นอนัตตาคำ uh. ว่าอนัตตก็ปรากฏปรากฏตรงนี้อันนี้จังคืออะไรอันนี้จังก็คือไม่เที่ยงเราก็จะเห็นพอเสียงดังแล้วเสียงก็แปลไปสู่ความหมดเนี่ยเขาเรียกว่าไม่เที่ยงแล้วก็พอเสียงดังแล้วเสียงก็คงทนอยู่ดังอยู่อย่างนั้นตลอดไปไม่ได้เราไปรู้ว่าเขาทนอยู่ไม่ได้เรียกว่าเห็นทุกข์ อันนี้เมื่อเขาทนอยู่ไม่ได้เขาก็หมดพอเขาหมดไปเนี่ยหมดไปแล้วก็ไม่มีไม่มีอะไรเหลืออยู่ลักษณะการหมดไปไม่มีอะไรเหลืออยู่เนี่ยไม่สามารถจะกล่าวได้ว่าเป็นอัตตาถ้าเป็นอัตตาต้องมีอยู่พระพุทธเจ้าจึงเรียกสิ่งที่ดับไปนี้ว่าอนัตตาแปลว่าปราศจากตัวตนที่ปราศจากตัวตนก็คือหมดไปในลักษณะดับไป ในการที่มองเห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยจะต้องไปมองเห็นเขาปรากฏทางทวารใดทวารหนึ่งรูปปรากฏทางตาแล้วเขาแปลเปลี่ยนไปสู่ความหมดเขาคงทนอยู่ไม่ได้และหมดไปก็เป็นอนัตตาทางตาเสียงปรากฏทางหูแล้วเขาคงทนอยู่ไม่ได้นะแปลเปลี่ยนไปคงทนอยู่ไม่ได้วาระสุดท้ายหมดไปหมดไปแล้วก็เป็นอนัตตาทางหู กลิ่นที่ปรากฏทางจมูกก็เหมือนกันปรากฏแล้วก็ไม่เที่ยงต้องแปลเปลี่ยนไปแล้วก็คงทนอยู่ไม่ได้เป็นทุกข์วาระสุดท้ายหมดไปก็เรียกว่าอนัตตาเป็นเป็นอนัตตารสโผฏฐะก็เหมือนกันรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะล้วนแต่มีการเกิดขึ้นแล้วแปลเปลี่ยนไปคงทนอยู่ไม่ได้วาระสุดท้ายแตกสลายไปหมดไปว่างเปล่าจากตัวตน เป็นอนัตตาทั้งหมดเราก็จะมองเห็นเห็นเป็นสา ม, มัญลักษณะเห็นเป็นไตรลักษณ์ว่าสภาพสิ่งเหล่านี้เป็นอนิจจังเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจิตของเราที่เข้าไปรู้เนี่ยรู้การไม่เที่ยงของเขารู้การคงทนอยู่ไม่ได้ของเขารู้การหมดไปของเขาเนี่ยภาวะจิตนั้นท่านเรียกว่าปัญญาตัวรู้นั่นะท่านเรียกว่าวิปัสสนาปัญญา เป็นเป็นสภาพของวิปัสนาปรากฏเกิดขึ้นนี่การเจริญวิปัสสนาก็เพื่อมุ่งหวังตรงเนี้ที่ทารายมาฝึกกันเนี่ยเจ็ดคืนแปดวันที่เราฝึกกันตลอดมีการเดินกลับไปกลับมากลับไปกลับมาเนี่ยจุดมุ่งหวังเพื่อพัฒนาจิตพัฒนาจิตของเราเนี่ยให้ให้เกิดสติไวแล้วก็ให้ให้เกิดความรู้สึกไวสติและสัมปชัญญะก็จะจ ะ, จะบังเกิดขึ้นการที่เรากําหนดกําหนดกายเนี่ย กายเดินกายยืนกายนั่งกายนอนเนี่ยเวลากําหนดเรากําหนดที่อากับกิริยาอาการเท่านั้นเองในการเข้าไปกําหนดอากับกิริยาอาการเนี่ยเพื่อเป็นการพัฒนาจิตให้จิตของเราเนจะมีสติจากช้าแล้วก็ไวแล้วก็รู้สึกทันทั้งหมดให้มีสติระลึกได้ไวแล้วก็ความรู้สึกได้ไวต่อไปก็ระลึกได้ทันทั้งหมดรู้ทั้งหมดพลระลึกได้ไวรู้ได้ทั้งหมดทันทั้งหมดก็จะสามารถไประลึก ถึงรูปที่ปรากฏทางตาเสียงที่ปรากฏทางหูกลิ่นที่ปรากฏทางจมูกรสที่ปรากฏทางเลิ้นเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงที่ปรากฏทางกายสามารถจะเข้าเข้าไประลึกได้ทันและเราก็จะเห็นสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเขาไม่เที่ยงแปลเปลี่ยนไปและคงทนอยู่ไม่ได้วาระสุดท้ายหมดไปเป็นอนัตตาเราจะไปเห็นเป็นอนัตตาพอเราเห็นเป็นอนัตตก็กลายเป็นของว่างเปล่า ไอ้คำว่าว่างเปล่าตรงเนี้ยแปลว่าว่างเปล่าจากสัตว์บุคคลไอ้ที่เราเห็นเป็นสัตว์เป็นบุคคลเนี่ยเราไม่เห็นการดับเห็นทางตาแล้วเราก็มองว่ามีอยู่ได้ยินทางหูแล้วก็มีอยู่ได้กลิ่นทางจมูกแล้วก็มีอยู่ได้รสทางลิ้นแล้วมีอยู่เย็นร้อนอ่อนแข็งยันตึงมากระทบเราก็ไม่เคยกาหนดรู้ว่าหมดเราก็มองเป็นของมีอยู่ของบางเป็นของมีอยู่ก็เลยสําคัญมั่นหมายนะ่ะว่าเป็นสัตเป็นบุคคลขึ้นมาเป็นสัตเป็นบุคคล เรามอง ด, ด้วยสายตาธรรมดาเนี่ยมองมองด้วยความรู้สึกธรรมดาธรรมดาของพวกเราก็มีมีบุคคลมีผู้หญิงมีผู้ชายและต่อไปก็จะมีคนดีคนไม่ดีมีอะไรปรุงแต่งเยอะยะไปหมดทำไมาจึงเป็นเช่นนี้เพราะเราไม่ได้มองเห็นการดับไปเมื่อมองแล้วเราไปรู้สมมุติบัญญัต ว่าเขาเรียกว่าบุคคลนะเขาเรียกว่าผู้หญิงเขาเรียกว่าผู้ชายจริงๆผู้หญิงผู้ชายเนี่ยเป็นเป็นภาษาบัญญัติมนุษย์เป็นภาษาบัญญัติแล้วเป็นปรามาัดตอนต ร, ตรงไหนอ่ะเวลาเป็นปรามาตัตดเนี่ยเป็นตรงสถานที่ที่ปรากฏเป็นในขณะที่มาปรากฏเราไปดูเราล้วนเป็นคนได้อย่างไรอ่ะลู้ทางไหนอ่ะที่เรารู้วเป็นบุคคลเนี่ย ที่เราไปเกี่ยวข้องเนี่ยเราเกี่ยวข <crazy> like ้องกันทางไหนบ้างเวลาเกี่ยวข้องก็จะมีเกี่ยวข้องกันได้ได้หกทางนะที่เรามองเห็นเนี่ยมาเกี่ยวข้องทางตาหรือไม้เสียงของเขาก็จะมาเกี่ยวข้องทางหูบางผีกลิ่นของเขาก็จะมาเกี่ยวข้องทางจมูกรสของเขาก็จะมาเกี่ยวข้องทางลิ้นสภาพไอุ่นเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงก็มาเกี่ยวข้องทางกายอนนี้เราไม่อาศัยตาหูจมูกลิ้นกายเขาก็มาเกี่ยวข้องทางใจได้อีก ถ้าเขาไม่มาเกี่ยวข้องกับเราในหกทางนี้เนี่ยคำว่าคนเนี่ยจะไม่มีเกิดขึ้นเลยเนี่ยมนุษย์จะไม่มีขึ้นเลยผู้หญิงจะไม่มีขึ้นเลยผู้ชายจะไม่มีเลยจะไม่มีอะไรอะไรเลยถ้าไม่มีการเกี่ยวข้องทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยก็จะว่างเปล่าไม่มีอะไรอะไราะนี้เมื่อมีการเกี่ยวข้องกันระหว่างทางตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ให้เราเข้าใจไง คือ like ท่านตน้องการให้เราเข้าใจว่าไอ้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยจริงๆแล้วเป็นของว่างเปล่านะท่านบอกว่าเป็นของว่างเปล่าว่วางเปล่าอย่างไรอ่ะก็สิ่งนั้นเมื่อมาเกี่ยวข้องทางตาเขาก็จะหมดไปทางตากลายเป็นของว่างเปล่าสิ่งนั้นเมื่อมาเกี่ยวข้องทางหูเขาก็จะหมดไปจากหูกลายเป็นของว่างเปล่าสิ่งนั้นเมื่อมาเกี่ยวข้องกับทางจมูกเขาก็หมดไปจากจมูกกลายเป็นของว่างเปล่าสิ่งนั้นเมื่อมาเกี่ยวข้องทางลิ้นเขาก็หมดไปจากลิ้นกลายเป็นของว่างเปล่าสิ่งนั้นเมื่อมาเกี่ยวข้องทางกายเขาก็หมดไปจากกายกลายเป็นของว่างเปล่า ทำมาเกี่ยวข้องทางใจเขาก็หมดไปจากใจอีกกลายเป็นของว่างเปล่าเมื่อกลายเป็นของว่างเปล่าเนี่ยท่านเรียกว่าอนัตตาพอเป็นอนัตตาแล้วสัตว์บุคคลจะมีได้อย่างไรก็ไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลเห็นก็เลยสักแต่ว่าเห็นแล้วคราวนี้เห็นแล้วไม่มีอะไรเห็นแล้วรู้เท่าทันว่าเขาแปลเปลี่ยนไปคงทนอยู่ไม่ได้และหมดไปให้เห็นต่อหน้าต่อตาเดียวนั้นได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยิน ทำไมจึงสักแต่ได้ยินนะ่ะก็เพราะว่าได้ยินแล้วสิ่งนั้นก็คงทนอยู่ไม่ได้นะแปลเปลี่ยนไปคงทนอยู่ไม่ได้และหมดไปสิ่งนั้นก็เป็นของว่างเปล่าเองก็เลยเกิดความรู้สึกสักแต่ว่าพอเห็นบ่อยๆสักแต่ว่าก็จะเกิดขึ้นพอสักแต่ว่าแล้วเนี่ยยินดีก็จะไม่เกิดยินร้ายก็จะไม่เกิดตรง น, นี้ชื่อว่ากรรมจัดอภิ ช, ชาคือความรู้สึกชอบใจได้ กำจัดโทมนัตคือความรูร้สึกขัดใจจะได้เกําจัดได้ตรงนี้วิปัสนาเนี่ยกําจัดได้จริงๆนะวิปัสนาที่เราเจริญเนี่ยอย่างอื่นกําจัดไม่ได้ถ้าไม่รู้เท่าทันในระหว่างที่สิ่งเหล่านั้นเขามาปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายหรือปรากฏทางใจเนี่ยแล้วมองเห็นว่าเขาแปลเปลี่ยนไปคงทนอยู่ไม่ได้และหมดไปจริงๆต่อหน้าต่อตาเดียวนั้นเนี่ย ความรู้สึกว่างเปล่าความรู้สึกวางเฉยจะไม่เกิดขึ้น